มีอะไรไหมอยากจะถามอะไรไหมเวลาเวลาคือเรามีความเบือ่อเวลาทําอะไรแล้วก็มีสุขพอถึงเวลาก็จะมีเบือ่อมีทุกข์นี่เราเราจะจัดการยังไงนะมันความเบื่อมันอยู่ที่ใจเราใจเราพอเราได้อะไรจําเจมันก็เบือ่อ อะไรซ้ำซากคนเขาแก้ด้วยวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นทําอย่างนี้เบื่อก็ไปทําอย่างอื่นแต่ก็เดี๋ยวก็เบื่ออีกเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นเดี๋ยวก็เบื่อเบื่อแล้วเบื่ออย่างนั้นก็กลับมาทําอย่างนี้เบื่ออย่างนี้ก็กลับมาทําอย่างนั้นทำไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีวันพ้นความเบื่อได้ เพามันเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้มันมันจะทำให้เราเบื่อพระเจ้าเจ้าบอกว่าความเบื่อนี่ก็คือความทุกข์อย่าง น, นไม่ว่าเราจะมีอะไรหาอะไรได้มาในโลกนี้เวลาได้มาใหม่ๆก็้ดี อ, อกมีใจพอได้มาบ่อยๆเข้ามันก็เบื่อ สิ่ ง, งต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถทำให้เราหายเบื่อได้ต้องเปลี่ยนวิธีหาสิ่งอื่นมามีสิ่งที่พระเจ้าทรงค้นพบว่าหามาได้แล้วจะไม่เบื่อก็คือความสุขใจความสงบอันนี้ต้องหัดนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิได้แล้วจะมีความสุข เหมือนกับได้สิ่งต่างๆมาแต่ดีตรงที่ว่ามันไม่เบื่อมันจะไม่มีวันเบื่อแล้วมันจะไม่อยากได้อะไรเพราะมันเป็นความสุขที่ดีกว่าสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆที่เราได้มานอกจากให้ความเบื่อกับเราแล้วมันยังให้ความกังวลกับเราด้วยเรามีอะไรเราก็มกักจะหวงจะโหย แต่กังวลแล้วไม่ใช้ก็เลยมันก็จากเราไปมันก็ทำให้เราทุกเสียใจเศร้าโศกเสียใจยแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหานี่มันจะไม่มีวันจากเราไปมันจะไม่มีวันที่จะทำให้เราห่วงหรือหว ง, ห, วงหรือกังวลจะไม่มีวันที่จะทำให้เราเบื่อ จะเป็นเหมือนของใหม่อยู่เรื่อยๆ เ, เหมือนได้ของใหม่อยู่เรื่อยๆหัดไหว้พระสวดมนต์หัดนั่งสมาธิไปหัดเจริญสติไปแล้วเราจะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่จะไม่มีวันทำให้เราเบื่อมีแต่จะทำให้เราสุขไปตลอดเวลา ตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ยังมีความสุขแบบนี้อยู่เพราะความสุขแบบนี้ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีคนนั่นคนนี้ไม่ต้องมีสิ่งนั่นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเพียงแต่ให้มีสติว่าควบความคิดให้ได้หยุดความคิดให้ได้เจริญพุทโธพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปแล้ใจก็จะ ไม่สามารถไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ถึงคนนั้นคนนี้ได้พอไม่ไปคิดมันก็ไม่กังวลไม่ห่วงไม่ห่วงไม่วิตกไม่อยากได้มันก็จะไม่ต้องมีอะไรอยู่กับความสงบนี้ถ้าเราไม่คิดแล้วเวลานั่งสมาธินั่งหลับตา จิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเวลาุวมเข้าสู่ความสงบมันก็เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จักกันหาไม่เป็นกันเราหาแต่เงินทองหาแต่ข้าวของหาแต่คน หายังไงก็เดี๋ยวได้มาไม่นานก็เบื่อเวลาได้มาใหม่ๆก็ดีใจพอใช้ไปสักพักเดี๋ยวก็เบื่อกับข้าวจานเด็ดเนี่ยลองให้กินทุกวันดูเดี๋ยวก็เบื่อกินสักเจ็ดวันเดี๋ยวมันก็เบื่อจะอร่อยขนาดไหนจะชอบขนาดไหนพอให้กินทุกวันซ้ำซากอยู่เดี๋ยวมันก็เบื่อ นี่คือสิ่งที่เราหากันคือสรุปก็คือเราหาความเบื่อกันได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็เบือ่อสิ่งที่ไม่เบื่อเราหาไม่เป็นไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนสิ่งที่พระเจา้าทรงค้นพบนี่เป็นสิ่งที่จะทําให้เราไม่เบือ่อจะทําให้เราในความสุขมันได้ของใหม่ทุกวัน ความสงบเนี่ยความสงบที่เกิดจากการทำใจให้หยุดคิดจะทำให้เราในความสุขแล้วทำให้เราไม่ต้องไปหาสิ่งต่างๆที่จะทำให้เราเบื่อเราอยู่กับเราอยู่กับตัวเราเราอยู่กับการสวดมนต์อยู่กับการนั่งสมาธิ อยู่กับการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็มีความสุขที่ไม่มีวันเบื่อนี่คือสิ่งที่เราจะควรจะหากันเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากเข้าของเงินทองจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มาหาความสุขจากการจเจริญสติ พุโทโธพุโทโธไปดูล ม, มหายใจไปสวดมนต์ไปอ ย, ไอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าให้ใจคิดคิดแล้วมันจะเกิดความอยากเกิดความเบื่อสิ่งที่ไม่มีก็อยากได้สิ่งที่มีก็เบื่อพอได้สิ่งที่อยากได้มาไม่นานก็เบื่อกับสิ่งที่ได้มาก็อยากได้สิ่งที่ยังไม่ได้ มันก็จะหลอกให้เราต้องอขวนขวายต้องแสวงหาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทำให้เราต้องมากังวลกับของที่เราหามาได้ถึงแม้ว่าจะเบื่อก็ยังหวงอยู่ได้เวลาเสียไปมันจากเราไปเราก็เสียใจ ยัสรุปก็คือสิ่งต่างๆที่เรากาลังหากันอยู่นี่มันเป็นสิ่งที่จะให้ความเบื่อให้ความทุกข์กับเราเราควรที่จะหยุดหาสิ่งเหล่านี้แล้วมาหาความสงบกันมาอยู่วัดกันมาถือสี่แปดกันเนี่ยพวกเนี่ยเขานุ่มขาวห่วมขาวเนี่ยเขาเบื่อสิ่งที่อยู่ที่บ้าน ก็เยมาอยู่วัดอยู่บ้านเบื่อใช่ไหมเดี๋ยมาอยู่วัดกันใช่ไหมอยู่บ้านแล้วมันทุกข์ใช่ไหมมันวุ่นวายมันเรื่องมากมาอยู่วัดมาฝึกทำใจให้สงบใจสงบแล้วจะมีความสุขจะเป็นความสุขที่ไม่เบื่อเป็นความสุขที่จะไม่จากเราไป ความสุขที่เราได้มาแล้วเราสามารถที่จะรักษาไว้ได้ตลอดไม่มีใครจะมาเอาความสุขแบบนี้ไปได้ความสุขจากข้าวของเงินทองจากคนคนั่นคนนี้คนอื่นก็มาเอาไปได้เห็นไหมบางคนมีแฟนแล้วเดีย๋ยก็แฟนก็ถูกคนอื่นแย่งไปก็มีหรือแฟนก็ไปหาคนอื่นความสุขที่ได้จากแฟนก็กลายเป็นความทุกข์ไป เอาของเงินทองได้มาถ้าหายไปก็เสียใจถูกขโมยไปถูกเขาโกงไปถูกเขามาหลอกไปมาหลอกยืมเงินไปไปแล้วก็ไปเลย <c oughs> ไม่กลับมานั้นของต่างๆพุทธเจ้าเห็นแล้วว่ามันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริง มันเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้เหมือนยาขมเคลือบน้ําตาลเนี่ยนะเวลาอมใหม่ๆก็หวานพอน้ําตาลละลายไปก็ขมปีอถ้าไม่รีบเกินเข้าไปก็อบางทีก็เกินไม่เข้าคายไม่ออกบางทีได้แฟนมาใหม่ๆก็หวานเจี๊ยบอยู่ไปสักพักก็กลายเป็นขม จะแยกกันก็แยกไม่ได้ก็ต้องอยู่กันไปแบบเก้นไม่เข้าขายไม่ออกนี่แหละคือสิ่งที่เราหากันคือหาความสุขแต่มันจะเป็นสุขตอนต้นแต่มันจะมาทุกข์ตอนตอนกลางตอนปลายดังั้นเราควรที่จะเลิกหาความสุขแบบนี้กันมอาจมาหาความสุขแบบพระพุทธเจ้า มาบวชมามาบวชกันมานุ่งขาวห่มขาวนี่ก็ถือว่าบวชแล้วบวชชั่วคราวการบวชก็คือการยุติการหาความสุขทางร่างกายยุติการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากบุคคลนั่นบุคคล น, นี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้พอถือศีลแปดนี่ก็ถูกข้าหมด อ้ามไม่ให้ไปเที่ยวอ้ามไม่ให้ไปนอนหลับ ก, กับแฟนอ้ามไม่ให้กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วอ้ามไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเท้ า, าทำผมใช้น้ำมันใช้น้ำหอมแล้วก็ห้ามไม่ให้นอนสบายเกินไปห้ามนอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆเพราะมันจะนอนมากเกินไป แล้วมันจะไม่มีเวลามาจเจริญสติมาพุโทโธพุโทโธมาเดินจงกรมนั่งสมาธิกันพอมาถือศีลบวชแล้วมันก็จะมีเวลาหลังจากเที่ยงวันแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยกับเรื่องอาหารการกินแล้วเย็นนี้ไม่มีข้าวกินแล้วไม่ต้องไปกังวลว่าจะไปกินข้าวที่ไหนเพราะมันไม่มีให้กินนะ ดูละครก็ไม่ต้องกนนังวลไม่ต้องติดตามดูละครไม่ต้องไปแหล่งบันเทิงต่างๆก็มีเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมการฟังธรรมก็จะได้รู้จักวิธีจเจริญสติรู้จักวิธีนั่งสมาธิรู้จักวิธีสร้างความสุขในตัวเรา สางความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราเพราะถ้ามีอะไรมาให้ความสุขกับเราเดี๋ยวสิ่งที่เราได้มามันจะกลายเป็นความทุกข์ไปาะได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นของเก่าใหม่ๆก็ก็น่าชื่นชมยินดีพอเก่าแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมานี่คือสิ่งต่างๆในโลกนี้ เป็นของหน้าเบื่อหน่ายเท่านั้นก่นไม่มีก็คิดว่าโอ้ยหน้าหน้าหน้านาได้มาหน้าชื่นชมยินดีคนคนที่มีแล้วก็เบื่อนี่คือสิ่งที่เรากำลังหากันหาความเบื่อกันหาสิ่งที่ทำให้เราเบื่อกันสิ่งที่ทำให้เราไม่เบื่อเราหาไม่เป็นเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน เราไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระอริยสงสาวกเนี่ยเราจะไม่รู้กันเราก็จะหาสิ่งที่เบื่อเบื่อสิ่งนี้เราก็เปลี่ยนไปอีกสิ่งหนึ่งพอได้อีกสิ่งมาเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวเบื่อก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนมันไปเรื่อยๆนะไดูรองเท้าดูกระเป๋าดูเสื้อผ้าเนี่ยใช้ไปสักพักก็เบื่อเบื่อก็เปลี่ยนใหม่ บางคนก็เปลี่ยนแฟนแฟดูดาราภาพยนตร์นะฝั่งหลังนี้บางคนมีผัวเป็นสิทธ์นะเวลาพบกันใหม่ๆก็น่ารักจุม๋มจิ๋มดีพออยู่กันไปสักพักก็ตีกันทะเลาะ ก, กันอันนี้แหละคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่เรามองไม่เห็นกันเราเห็นว่าได้อะไรมาแล้วจะต้องเหมือนเดิมจะต้องดีเหมือนเดิม แต่มันเปลี่ยนพอได้มาไม่นานมันก็เปลี่ยนอยากดีก็ไม่ค่อยดีจากไม่ค่อยดีก็กลายเป็นไม่ดีไปจากใหม่ก็คอยกลายเป็นกลางเก่ากลางใหม่จากกลางเก่ากลางใหม่ก็กลายเป็นของเก่าเลยนี่คือสิ่งต่างๆ ท, ที่เราหากันพระพุทธเจ้าเรียกว่าโลกกระทำลาบยุศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย อันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาหากันหากันแล้วก็ทุกกันบ่นกันเบื่อกันเพราะพระพุทธเจ้าก็เอยมีอย่างของเหล่านี้มาพระพุทธเจ้าเป็นพระราชโอรสเนี่ยเป็นลูกของกษัตริย์ลูกของพระเจ้าแผ่นดินมีเงินทองกองเท่าภูเขามีปราสาทสามฤดูมีลูกน้องมีนางสนม กานันมีอะไรมาคอยรับใช้มาคอยให้ความสุขมีนักแสดง ต, ต่างๆมาแสดงมาร้องรำทำเพลงมาอะไรร้อยแปดแต่ทำไปทำไปแล้วก็เบือ่อเห็นบ่อยๆเห็นซ้ำซากก็เบือ่อแล้วพอไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ยิ่งทำให้ เกิดความกลัวขึ้นมาเพราะว่าต่อไปเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะไม่สามารถหาความสุขได้ก็เลยไปเห็นนักบวชก็เลยรู้ว่าออมีวิธีอีกวิธีหนึ่งหาความสุขด้วยการไปบวชไปบวชไปอยู่คนเดียวไปอยู่ในปา่าในเขาอยู่ที่ห่างไกลจาก แสงสีเสียงต่างๆแล้วก็มาฝึกสติควบคุมความคิดหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆพอหยุดแล้วใจก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขเพราะโผขึ้นมาความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนมีอยู่ในตัวเรานีงเป็นความสุขที่ไม่มีวันเบื่อ เป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดพระพุทธเจ้าหลังจากบวชแล้วก็ไม่เคยศึกเลยบวชแล้วตัดสัลรเป็นพระพุทธเจ้าได้พบ บ, บัลมรสุขคือความสงบเต็มที่คือพระ น, นิพพานพระนิพพานนี้คือความสงบเต็มที่ตลอดเวลา24ชั่วโมงพรองก็เลย ไม่ฝภาทนาที่จะมีความสุขแบบพวกเราอีกต่อไปเอาความสุขแบบพวกเราพระองค์ก็เคยผ่านมาแล้วรู้รสชาติของมันแล้วว่าซึ้อรสชาติของความสงบไม่ได้พระองค์ทรงตรัสว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงรสแห่งธรรมก็คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเกิดจากการเจริญสติเกิดจากการนั่งสมาธิ เกิดจากการเจริญปัญญาก็จะได้ความสงบเป็นความสงบที่ให้ความสุขที่เป็นความสุขที่ชนะความสุขทั้งปวงพระองค์ก็เลยไม่เคยกลับไปอยู่ในวังอีกต่อไปถึงแม้ว่าร่างกายของพระองค์จะอยู่แบบขอทานอาหารก็ต้องไปบิณฑบาต ที่อยู่าศัยก็อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเพลิงทาเพลิงไม้ใบมง่งใบไม้กันแดดกันฝนอยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถ้ำอยู่ตามเรือนร่างผ้าก็อาผ้าหอ่อศพมาทําเป็นผ้าห่เป็นผ้าจีวอนนุ่งห่มยารักษาโรค ก, ก็ดืมน้ำปัสสาวะท่านก็ไม่เดือดร้อน เพราะว่าความสุขทางร่างกายนี้ไม่สำคัญเท่ากับความสุขทางใจถ้าความสุขทั้งได้ความสุขทางใจแล้วร่างกายจะอยู่แบบไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายจะเป็นจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่แหละคือของแท้ของจริงความสุขที่แท้จริงคือความความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ เกิดจากการเจริญสติตอนนี้พวกเราไม่มีสติพอที่จะทำให้ใจสงบใจเราเลยกลิ่งไปดิ้นไปหาสิ่งนู้นหาสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆ เ, เบื่อสิ่งนี้ก็ไปหาสิ่งนู้นพอได้สิ่งนั้นมาพอเบื่อก็กลับมาหาสิ่งนี้ดิ้นไปดิ้นมามก็จะดิ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตายไปก็ไม่ได้ดิน้นตายไปก็กลับมาเกิดใหม่ ร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราเป็นผู้มาครอบครองร่างกายนี้มาอาศัยร่างกายนี้เป็นลูกน้องมารับใช้เราให้เราไปทำอะไรต่างๆให้เราหาอะไรต่างๆที่เราอยากได้พอร่างกายนี้ตายไปความอยากที่มีอยู่ในใจเรายังไม่หมดมันก็พาให้เราไปหาร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่ เราก็กลับมาทำเหมือนเดิมเราเคยทำมาเหมือนเดิมไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนร่างกายเหมือนกับเราเปลี่ยนเสื้อผ้าท่านเองแต่ใจคือตัวเรานี่เหมือนเดิมยังอยากเหมือนเดิมยังเมื่อยังเบื่อเหมือนเดิมยังทุกข์เหมือนเดิมได้อะไรมาก็ดีใจพอได้สักพักก็เบื่อพอเสียไปก็เสียใจ เราก็ทาอย่างนี้มาซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วจะทํานี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากลูกเสียงเกล็ดรถปุถะให้มาหาความสุขจาก การเจริญสติพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปเวลาที่เราไม่ได้นั่งเราจะพุโทโธไปก็ได้สวดมนต์ไปก็ได้หรือคอยเฝ้าดูร่างกายของเราว่ากาลังทาอะไรอยู่คอยเฝ้าดูอยู่เรื่อยๆตอนนี้กำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังกินกำลังขยับแข้งขยับขากำลัอ ง, องหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวายกแขนขึ้นยกแขนลง ทำอะไรให้เฝ้าดูการกระทำของร่างกายไปแล้วใจก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆพอเราควบคุมความคิดได้เวลานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งจะสงบจะรวมเป็นหนึ่งจะแยกออกจากร่างกายไปเลยร่างกายกับใจนี่ไม่ได้เป็นอันเดียวกันเหมือนน้ำกับแก้วน้เหมือนน้ำกับขวดน้ำเนี่ยมันเป็นก็ละอันกัน แต่มันอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็เลยทําให้เราคิดว่ามันเป็นอันเดียวกันแต่พอเราเทน้ำออกจากขวดเราถึงจะรู้ว่าอาน้ําเป็นอย่างหนึง่งขวดเป็นอีกอย่างเวลาเรานั่งสมาธิพอจิตรวมนี่ก็เหมือนกับจิตแยกออกจากร่างกายจิตเหมือนกับ น, น้ําไหลออกจากร่างกายร่างกายเป็นอันหนึง่งร่างกายเป็นเหมือนขวดจิตเป็นเหมือนน้ําจิตก็จะรู้ว่าต่อไปนี้ เราคือใครเราไม่ใช่คือเราไม่ได้เป็นร่างกายแล้วพอออกจากสมาธิมาก็คอยสอนใจเตือนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเดี๋ยวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้าไปยุ่งกับมันเราจะวุ่นวายจะทุกข์ใจถ้าไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายจะทุกข์ขึ้นมา แล้วก็ห้ามมันไม่ได้อยากยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีแต่เรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราก็อย่าไปยุ่งกับมันเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่ได้แก่ไปกับร่างกายเราไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายเราคือใจคือผู้รู้ผู้คิดผู้ดูร่างกายก็ดูไปรู้ไปอย่าไปเป็นร่างกาย พอไปเป็นร่างกายเวลาร่างกายแก่ก็คิดว่าแก่ไปกับร่างกายเวลาร่างกายเจ็บก็คิดว่าเจ็บไปกับร่างกายเวลาตายก็คิดว่าตายไปกับร่างกายแต่จิตไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายร่างกายที่แก่ที่เจ็บที่ตายมันก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายแก่มันก็ไม่รู้ว่ามันแก่เวลามันเจ็บมันก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บเวลามันตายมันก็ไม่รู้ว่ามันตายมันไม่เดือดร้อนร่างกายนีค้ย ใครยาไปทำอะไรมันไม่มันไม่บ่นเลยมันไม่ว่าหรอกสาปเลิศจะเอาไปเผามันก็ไม่ว่าเลยมันไม่รู้ว่ามันเป็นร่างกายมันไม่มีความรู้ผู้ที่รู้ก็คือใจก็คือพวกเรานี่แหละไปดูร่างกายแต่ไปนหลง ค, คิดว่าเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรก็เลยคิดว่าจะเป็นอะไรไปกับร่างกายด้วยก็เลยทุกไปกับร่างกาย ถ้าเรานั่งสมาธิจนจิตสงบแล้วแยกออกจากกันได้เราจะเริ่มเห็นนะว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละอันกันทีนี้เราก็ปล่อยร่างกายได้ปล่อยให้มันแก่ไปปล่อยให้มันเจ็บไปปล่อยให้มันตายไปได้เพราะเราก็ห้ามมันไม่ได้เวลามันเจ็บเราไปสั่งให้มันหายได้ไหมถ้ามันยังไม่หายมันก็ไม่หายเดี๋ยวถึงเวลามันหายมันก็หาย หายล้เดียวมันก็เจ็บใหม่หายแล้วไปห้ามไม่ให้มันเจ็บได้เ่มันก็ไม่ได้ร่างกายนี้เราไปห้ามไปสั่งมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันแก่ห้ามไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยห้ามไม่ให้มันตายไม่ได้ถ้าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจแต่ถ้าไม่ได้อยากให้มันแก่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะไม่ทุกข์ ใจจะไม่เดือดรอนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเหมือนกับดูเหมือนละาจจะดูร่างกายนี้เหมือนกับร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเขาแก่เขาเจ็บเข า, าตายเราเดือดร้อนนะพเพราะเราไม่ได้ไปถือว่าเป็นของเราใช่ไหมแต่พอร่างกายนี้เราไปถือว่าเป็นของเราเราเดือดร้อนขึ้นมาทันี้นเราก็ต้องรู้ว่ า, วามันก็เหมือนกับร่างกายของคนอื่น มันไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของเราปล่อยมันแก่ไปปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันตายไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ทำใจไปทำใจเฉยๆไปแล้วจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายคนที่มีความสงบแล้วจะปล่อยได้คนที่นั่งสมาธิเป็นใจมีความสุขแล้ว จะปล่อยร่างกายได้จะเฉยๆได้ร่างกายจะแก่ก็เฉยได้ร่างกายจะเจ็บก็เฉยได้ร่างกายจะตายก็เฉยได้ไม่เดือดร้อนนี่แหละคือสิ่งวิเศษที่พระเจ้าได้สองคนพบเนี่ยเรียกว่าตัดสัลุตัดสัลุความจริงความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบอยู่ที่การปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าไม่ปล่อยวางจิตก็ไม่สงบแต่เวลาเรานั่งสมาธินี่เราปล่อยวางทุกอย่างเราอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองตอนนั้นเราไม่สนใจสามีภรรยาไม่สนใจอะไรต่างๆไม่สนใจหมดทิ้งหมดทิ้งไว้เวลานั่งสมาธินี่เหมือนทิ้งทุกอย่างไปแล้วพอทิ้งแล้วแทนที่จะทุกข์กับมีความสุข พอจิตสงบแล้วกลับมีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่กับสิ่งที่เรารักเราเราหวงเพราะเวลาที่อยู่กับสิ่งที่เรารักเราหวงแทนที่จะมีความสุขกลับมีความทุกข์กลับมีความวิตกมีความห่วงใ ย, ยมีความกังวลเวลาเสียก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจแต่พอเราทิ้งแบบเข้าสมาธิได้เราจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆเ พอเรามีสมาธิแล้วเราก็สบายปลอดภัยจากความทุกข์แล้วท่านเรามีปัญญามาสอนใจให้ปล่อยวางทุกอย่างว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ใช่ของเราสามีภรรยาบุตรทิดาไม่ใช่ของเราทรักวันหนึ่งจะต้องมีการจากกันไป ถ้าเรามีปัญญาสอนล้วมีสมาธิที่มีความนิ่งความเฉยเราก็เฉยทาตามปัญญาบอกปัญญาบอกให้เฉยอย่าไปยุ่งกับสิ่งต่างๆเขาจะไปก็ต้องให้เขาไปเขาจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเวลาเขาอยู่ก็อย่าไปอยากให้เขาไปเวลาเขาไปก็อย่าไปอยากให้เขาอยู่เราชอบทําตรงกันข้ามกันเวลาอยู่ก็อยากจะให้เขาไป เวลาเขาไปก็อยากใช้เขาอยู่ก็เลยร้องห่มร้องไห้เวลาอยู่ก็ทุกข์กับเขาเ็าอยากให้เขาไปเบื่อเบื่อก็อยากให้เขาไปพอเขาไปจริงๆก็อยากจะให้เขากลับมาเบื่อเบื่ออยากๆยากมันก็เลยทุกข์กับสิ่งที่เรามีเวลามีก็ทุกข์เพราะเบื่อเวลาจากเราก็อยากให้เขากลับมาก็ทุกข์อีก ทั้งขณะที่มีทั้งขณะที่ขณะที่เสียไปเพราใจเราไม่อยู่เป็นกลางไม่อยู่เฉยๆถ้าเรานั่งสมาธิแล้วใจเราจะเฉยๆไม่อยากไม่เบื่อไม่รักไม่ชังเฉยๆอะไรก็ได้มีอะไรก็มีไปไม่มีอะไรก็ไม่เป็นปัญหาเลยมีความสุขในใจแล้วอะไรก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เดือดร้อน ก็ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆแล้วเรามีความสุขเรามีความสุขในตัวเราแล้วเราไม่ต้องไปหาความสุขข้างนอกตัวเรานี่แหละคือวิธีแก้ความเบื่อมาหัดถือศีลแปดกันแล้วมาหัดพุทโธกันพุทโธตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุทโธไปภายในใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปลุกขึ้นมา เข้าห้องน้ําอาบน้ําอาบท้ากับพุโทโธพุโทโธไปทําอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าไม่ชอบพุโทโธก็ดูว่าร่างกายกําลังทําอะไรไปเฝ้าดูมันไปมันกําลังอาบน้ําก็อาบน้ํากับมันมันกําลังแต่งตัวก็แต่งตัวกับมันอย่าไปทําเรื่องอื่นอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับงานที่ร่างกายกําลังทําอยู่ใจก็จะว่างจะไม่คิดอะไรและเวลา น, นั่งสมาธิ ถ้าเราดูล่างกายเราก็ดูลมหายใจต่อนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปทำอะไรกับลมให้รู้เฉยๆลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้วา่ายาวลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็รู้ว่าลมหายไปก็ให้รู้เฉยๆไปแล้วใจจะนิง่งใจจะสงบแล้วจะมีความสุข แล้วต่อไปเราก็จะนั่งสมาธิเป็นแทนที่จะไปหาเงินทองเราก็มานั่งสมาธิกันดีกว <IS THEY> ่า <secure similarly> ความสุขที่ได้จากเงินทองซื้อความสุขที่ได้จากสมาธิไม่ได้ความสุขที่ได้จากเงินทองหายไปได้แต่ความสุขที่ได้จากสมาธิไม่มีวันหายจากเราไปความสุขที่ได้จากงินเงินทองมีมีวันเบื่อได้ความสุขที่ได้จากสมาธินี้ไม่มีวันเบื่อ เนี่ยคือสิ่งที่ดีสิ่งที่วิเศษสิ่งที่มีในตัวเราเรากลับไม่หากันเรากลับไปหาของน่าเบื่อกันได้อะไรมาแล้วก็เบื่อนะมาหัดดูสิงห์แปดมาอยู่วัดเพราะอยู่บ้านมันวุ่นวายเรื่องมากทำให้เราพุโทโธไม่ได้ต้องมาอยู่วัดมาอยู่คนเดียววัดนี่บางทีบางวัดเขาจะให้แยกอยู่กันก็ไม่ให้อยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็คุยกันคุยกันแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้พุทธโธรยายญากันอยู่แล้วต่างคนต่างพุดโธกันไปเรื่องสวดมน์ไปเรื่องเฝ้าดูร่างกายไปเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าไม่มีอะไรทำก็เดินจงกรมไปเดินจนเมื่อยก็พักมานั่งสมาธิแทนสลับกันไปทำอานี้ไปจนทั้งถึงเวลานอน รับรองแด้ว่าไม่นานจะได้สมาธิจะได้ความสงบแล้วจะติดใจจะไม่อยากได้อะไรต่อไปจะอยู่คนเดียวได้ไม่มีร่างกายก็อยู่ได้ไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะไม่ต้องการมไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไปเพราะความสุขที่ได้จากสมาธิไม่ต้องใช้ร่างกาย แต่ความสุขที่ได้จากเงินทองนี้ต้องใช้ร่างกายต้องมีร่างกายไปหาเงินทองะถ้าไม่มีร่างกายก็หาเงินทองไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีใครที่ไหนจะสอนให้เราฮะพบกับความสุขแบบนี้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น เมื่อเรารู้แล้วถ้าเราอยากได้เราก็ต้องปฏิบัติตามเราต้องทําตามรา พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงบอกวิธีหาความสุขให้กับเราเราก็ต้องไปทําตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราทําไปถือศีลแปดกันไปเจริญพุทโธพุทโธกันหรือเฝ้าดูร่างกายกันหรือสวดมนต์กันถ้าพุทโธไม่ได้สวดมนต์ไปก่อนก็ได้ส่วน e show, อิติปิโสอรหังสัมมาไป อย่าคิดอย่าให้มันคิดเนื่อยเปื่อยอย่าไปคิดถึงแฟนอย่าไปคิดถึงขนมอย่าไปคิดถึงข้าวของอะไรต่างๆคิดแล้วเดี๋ยวอยากได้อยากจะไปหาสิ่งต่างๆมันก็จะอยู่วัดไม่ได้ถ้าไม่คิดแล้วก็จะอยู่วัดได้อยากคิดถึงแฟนก็อยากจะไปหาแฟนคิดถึงลูกก็อยากจะไปหาลูกคิดถึงอะไรก็อยากจะกลับไปหาสิ่งต่างๆ คิดถึงคิดถึงใจจะขาดเห็นไหมคนเคยลองฟังเพลงนี้นะคิดถึงใจจะขาดพอคิดแล้วใจมันก็จะขาดถ้าไม่เดินไปพบกับสิ่งที่คิดนี่มันใจจะขาดแต่ถ้าเราไม่คิดได้แล้วใจก็จะไม่ขาดใจก็จะสงบใจก็จะสบายนะต้องเอาไปปฏิบัติกันนะ ไม่มีใครปฏิบัติให้เราได้พระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นเพียงแต่ผู้สอนเราพวกเราผู้ได้เินได้ฟังแล้วสามารถเอาไปปฏิบัติได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชเป็นคารวะปฏิบัติได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าอยากจะปฏิบัติไม่ไม่อยากจะปฏิบัตินะถ้ายังไม่อยากปฏิบัติก็ไม่มีก็จะไม่ได้ปฏิบัติมันต้องอยาก วิธีจะอยากก็คือต้องเบื่อมากๆเบื่อสิ่งต่างๆที่มีอยู่มากๆพอเบื่อไอ้นั่นก็เบื่อไอ้นี้ก็เบื่อไม่เอาแล้วเว้ยลองเอาอันนี้ดูว่าลองเอาพุทโธดูเนยจะเป็นยังไงใส่เสื้อผ้าชุดนี้ก็เบื่อชั้นนั่นก็เบื่อไม่ใส่มันเลยดีกว่าออกไปข้างนอกแบบไม่ต้องใส่เสื้อผ้าดูสักวันจนเป็นยังไงวะใส่แล้วมันเบื่อนี่ยังไงเอาแบบไม่มีเสื้อผ้าดูทักวันจะเป็นยังไงเนี่ย พุโทโธก็เหมือนกันเบื่อราบยศสรรเสริญเบื่อลูกเสียงกลิ่นแล้วก็ไม่ต้องเอามันเอาพุโทโธไม่ต้องเอาอะไรไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องใช้อะไรเป็นเครื่องมือหาความสุขนะไม่ทำก็ไม่รู้นะถ้าทำแล้วก็จะรู้ทำแล้วก็จะได้ไม่ทำก็ไม่ได้แต่ทำแล้วก็ต้องทำให้มันถึงถึง ถึงจุดที่มันจะได้ถ้าทำน้อยๆมันก็ยังไม่ได้เหมือนกินข้าวกินสองสามคแล้วก็หยุดกินมันก็ไม่มีวันจะอิ่มกินก็ต้องกินมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะอิ่มพอมันอิ่มแล้วมันรู้เองว่าอ๋ออิ่มแล้วปฏิบัติก็เหมือนกันพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสงบถ้ามันยังไม่สงบก็ต้องพุทโธไปเรื่อยๆต้องนั่งไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสงบ พอมันสงบแล้วมันก็จะพบกับความสงบพบกับความสุขถ้ายัง ถ, ถ้ายังปฏิบัติไม่ถึงขีดนั้นมันก็ยังไม่ได้ผลก็ต้องทำไปเรื่อยๆเหมือนกับการเดินทางก็ต้องเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางถ้าเดินไปสองสามก้าวแล้วก็หยุดเดินมันก็ไม่มีวันที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถึงแม้จะมีแผนที่บอกทางแต่มันไม่ไปไม่เดินมันก็ไปไม่ถึง ถ้าไม่มีแผนที่เดินไปเดินไปแบบไม่หยุดก็เดินไปไม่ถึงแหลเพราะเดินไปคนละที่กันตอนต้นก็ต้องดูแผนที่ก่อนตอนต้นก็ต้องมาฟังก่อนมาศึกษาก่อนฟังเทศฟังธรรมก่อนเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องทำถ้าเราไม่มาฟังแล้วเราไปทำเดี๋ยวก็หลงทางได้หรือเป็นบ้าได้คนที่นั่งสมาธิโดยที่ไม่รู้จักวิธีนั่ง นั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็เห็นหนู่นเห็นนี่ก็เดี๋ยวว่ากลายเป็นบ้าไปเวลานั่งสมาธิเขาไม่ให้นั่งเฉยๆนั่งให้มีพุทโธควบคุมใจมีลมหายใจควบคุมใจ<ส>ไม่ใช่นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเดี๋ยวจิตมันจะหลอกเราหลอกให้เราเป็นบ้าได้いいแต่ถ้าเราพุทโธแล้วมันไม่หลอกเราเราคุมมันไว้ถ้าเรามีพุทโธเราจะคุมมันไว้ ถ้าเราถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ไปถามคนที่สอนเราไปถามว่านั่ ง, งนี้ถูกไหมไม่ถูกจะได้แก้ไขใหม่ดัดแปลงใหม่ทำทให้มันถูกได้เกาถึงบอกว่าต้องมีครูนั่งสมาธิต้องมีครูครูสอนแต่ไม่ใช่ครูมานั่งเป็นเพื่อนนั่งคนเดียวเวลานั่งนั่งคนเดียวไม่ต้องเอาครูมานั่งเป็นเพื่อนด้วย ครูคนเดียวไปนั่งกับลูกศิษย์เป็นร้อยเป็นพันได้ไงครูก็สอนแล้วให้ลูกศิษย์ไปนั่งกันเองแล้วมีอะไรก็มาเล่าให้ครูฟังว่านั่งแบบนี้แล้วเกิดอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่ใช่ก็นั่งใหม่ต้องเกิดแบบนี้ถึงจะถูกต้องนั่งแบบนี้ถึงจะถูกเหมือนกับทําอะไรก็ต้องมีครูสอนทํากับข้าวก็ต้องมีครูสอนใช่ถ้าครูไม่ไม่มีครูสอนอทากับข้าวมันน่ากินไหมะ ทำก็กินไม่ลงะแต่ถ้ามีครูที่ก็ทํากับข้าวเก่งๆเนี่ยไปเรียนกับเ้าเดี๋ยวเขาสอนเราเราก็ทํากับข้าวให้ที่เรากินอย่างอรเดตอร่อยได้ดังนั้นการกระทาอะไรก็ต้องมีครูมีคนคอยสอนไม่มีครูที่พูดได้ก็ครูที่เป็นหนังสือก็ได้สมัยนี้อาจจะหาครูที่เป็นพระเป็นคนที่พูดอยู่ใกล้ไม่ได้ก็หาครูที่ อยู่ในหนังสือก็ได้อยู่ในซีดีก็ได้หรืออยู่ในมือถือก็ได้เ น, นี่ยตอนเนี้ยคนบางคนก็กําลังใช้ครูที่อยู่ในมือถืออยู่เนี่ยตอนนี้กําลังถ่ายทอดสดไปมีคนดูกี่คนเนี่ยคนฟังกี่ค น, นตอนนี้ตอนนี้สามร้อยหกคนค่ะยูทเท่าไหร่หกสิบแปดค่ะตอนาี้หกสิบกว่าเจ็ดสิบคนเนี่ยกําลังกําลังดูอยู่กําลังฟังอยู่กําลังศึกษาอยู่ เขาฟังแล้วเดี๋ยวเขาก็าไปปฏิบัติกันแล้วเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจหรือก็ทำไม่ถูกหรือเขาไม่แน่ใจเขาก็จะเขียนข้อความเ้ามาถามสองข้อความเ้ามาถามได้สมัยนี้ไม่ต้องมีครูอยู่ใกล้กับตัวแล้วขอให้มีมือถือเท่านั้นเองสามารถอยู่ใกล้กับครูได้เดี๋ยวดูแล้วเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวก็วจะส่งคำถามเข้ามาแล้ว ตอนนี้ขออนุมโมทนาให้พรกันยะถาวาเรวหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตาังอุปกาปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาภะโสยะถามณิโจติ ระโสยะถาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโควมนาสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาธนสีลิสนิจจังวุฒาปจจายโนจตารูธรรมาวทานติอายุวโนสุขัง อลงองวันนี้รู้จากวิธีแก้เบื่อแล้วนะลองไปทําดูลองไปนั่งสมาธิดูลองไปพุโทโธอยู่สวดมนต์ดูต้องทําให้มันได้ผลมันถึงจะไม่เบื่อถ้ายังไม่ได้ผลบางทีมันจะเบื่อก็ได้นะสวดมนต์ไปสักพักมันอาจจะเบื่อก็ได้ก็ต้องอดทนเอาอยู่ มีใครมาทีหลังอยากจะถวายของก็เข้ามาได้หรือใครอยากจะเอาหนังสือซีดีก็มาหยิบได้ใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้เนี่ยภาพสุนที่ที่สุดก็คือภาพของความสงบภาพอะไรวาดไปเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็เบื่อดูไปสักพักเดี๋ยวมันก็เบื่อต้องเปลี่ยนภาพอยู่เรื่อยถ้าเจอภาพของความสงบแล้วจะไม่มีวันเบื่อ ภาความสงบก็คือความว่างนี่เป็นไงคลิปที่สองเลยอนดูเยอะไหมวันนี้ขึ้นพนเมาเช้าเลยท่านเลครับเป็นไงอันที่สามกัเลยอ่าชื่อเรื่องเรื่องอะไร ห, ห, หน้าที่ของพระที่ก็ได้อ่าหน้าที่ของพระป็นไงไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะเป็นไงอย่างนั้น จะไม่ชี้งางลหรือเปล่าเด้นไปมาค่ ะ, ะเป็น ไ, ไงดีหมั้ยสบายค่ะแต่ว่าก็ผลเรื่องการปฏิบัติบาเหกับ้าหน้ายหอยะหอนะคะอาเลยค่ะต้องทำไงไปเาค่ะก็ะทำไปเรื่อยๆนละเห <laughs> <laughs> มือนกินข้าวกินไปเรื่อยๆจนกวามันจะอิ่มอ่ะจะยังไม่อิ่มก็ต้องกินไปเรื่อยๆอย่าไปเบื่อกิน ถ้าเบื่อกินเมื่อไหร่ก็จะไม่มีวันอิบอย่าไ่เบื่อปฏิบัติต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไม่ถูกมันก็เลยเบื่อถ้าปฏิบัติถูกมันได้ผลมันจะไม่เบื่อพยายามดูวิธีปฏิบัติของเราว่าปฏิบัติถูกหรือไม่บางที่เราคิดว่าเรากำลังเดินจงกรมอยู่แต่ใจเราไปคิดถึงเมื่อไหรก็ไม่รู้อย่างนี้นไม่ได้ในวัาเดินจงกรมนะถ้าเดินจงกรมก็ต้องอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับเท้าที่เราเดินนะ ไม่ใช่ไปคิดด้วยเปื่อยเดินไปแล้วมันก็ไม่มีวันสงบต้องคอยสังเกตดูการปฏิบัติของเราว่าปฏิบัติด้วยสติหรือปฏิบัติด้วยด้วยการเผลสติถ้าเผลสติก็คิดไปฟุง้งไปอะไรย่างนั้นก็ไม่มีวันสงบจะถามเรื่องการสดมนต์คือปกติ เรสวดมนต์ทุกวันแต่บางทีไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เระควรจะคือเราควรจะสวดนานแค่ไหนหรือว่าหลักในการสวดมนต์ที่ถูกต้องมีคนจะสวดยังไงสวดให้สบายใจไงถ้ายังไม่สบายใจก็สวดไปเรื่อยๆสวดให้มันสงบอแต่สงบก็ต้องสวดแล้วไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ตั้งให้อยู่กับเรื่องสวดมนต์เพลงอย่างเดียวสวดไปแล้วใจจะเบาจะเย็นจะมีความสุข ถ้าสวดไปคิดไปมันก็จะไม่สงบถ้าอยากจะได้ผลการสวดมนต์นี้ต้องสวดมากๆครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเนี่ย ถ, ถึงจะเห็นใจเห็นผลแต่ถ้านั่งสมาธิพุทธโธพุทธโธเนี่ยบางทีห้านาทีสิบนาทีก็เห็นผลแต่ยากกว่าเพราะการที่จะให้อยู่กับพุทธโธห้านาทีได้นี่มันไม่ใช่ของง่ายอยู่กับพุทธโธได้สองสามวินาทีก็ไปแล้ว คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะถ้ายังอยู่กับพุทโธไม่ได้ก็ต้องสวดมนไปก่อนสวดมนไปนานๆครึ่งชั่วโมงชั่วโมงมันจะเริ่มรู้สึกเบาสบายเย็นมีความสุขแล้วถ้ามีเวลาต่อก็ลองนั่งพุทโธต่อไปแล้วนั่งดูลมหายใจต่อไปใจมันเริ่มสงบแล้วมันก็จะดูลมหายใจได้ดูลมหายใจเฉยๆไม่ต้องไป ยุงกับลมให้เฝ้าดูเฉยๆลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกจะรู้ที่ปลายจมูกก็ได้ดูที่หน้าอกก็ได้ลมหายใจเข้ากลาง อ, อกมันก็จะพองขึ้นมาหายใจออกมันก็จะยุบลงไปดูที่ปลายจมกูกมันก็จะสัมผัสกับลมที่เข้าที่ออกตรงปลายจมูกได้ให้ทำอย่างนั้นให้รู้เฉยๆอย่าไปคิดอะไรก็สาคัญอย่าไปคิดอะไร ถ้คิดแสดงว่าไม่ได้ดูลมแล้วไม่ได้พุโทโธละต้องให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวหรือดูลมอย่างเดียวไม่ต้องปนกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือบางคนเขาชอบปนกันก็ปนไ ด, ด้พุทเข้าโธออกก็ได้แล้วแต่จะถนัดชอบแบบไหนก็ลองเลือกเอาแบบนั้นดูลองทำดูเนี่ยของง่ายๆวิธีทำง่ายๆแต่มันญากตรงที่มันไม่ยอมทามันไม่อยากทา มันชอบไปทะเลทลายไปทําอย่างอื่นไปคิดอย่างอื่นพุโทโธได้สองคำก็ไปแนละ้ดวดูลมได้สองครั้งก็ไปแนละ้วสวดนต์ได้ไปปั๊บหนึ่งก็ไปแนละ้วไปคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้นะมันต้องไม่คิดต้องดึงมันกลับมาให้ได้ต้องรู้ว่ามันกําลังไปคิดคิดแล้วก็ดึงมันกลับมาบางทีคิดไปต้องนานทีนึงรู้สึกตัวให้เราไม่ได้พุโทโธเลยนะเราไม่ได้ดูลมเลย ก็มาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เหมือนคนเมาอ่ะทําอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ว่าทําอะไรไปคนเมาเนี่ยเวลาหายแล้วถามว่ามึงไม่คิดทําอะไรมารู้เปล่าไม่รู้หรอกแล้วทำไมคนที่ส่วนใหญ่พอสวดมนต์แล้วมักจะปวดเมื่อยหรือว่ากายจาับจิตอ๋อกิเลสมันไม่ชอบสวดมันก็เลยทําให้เมื่อยไงการนั่งเล่นภยัยมันมเมื่อย <laughs> นั่งดูละครมันมเมื่อย ถ้ามันอะไรมันชอบก็มันจะไม่เมื่อยเราไปทําในสิ่งที่ไม่ชอบมันก็จะเมื่อยขึ้นมามันจะเจ็บขึ้นมาถึงแม้ว่าเราตั้งใจจะสวดมนต์ก็ตั้งใจก็ต้องก็ต้องอย่าไปสนใจมันมันจะเมื่อยก็ไปเมื่อยไปแต่ก็สวดของเราไปต้องมีความอดทนมันไม่ได้เมื่อยจริงหรอกมันเมื่อยเพราะกิเลสมันสร้างขึ้นมาสร้างความรู้สึกขึ้นมาเพราะเราต้องถามเลยว่าทีเวลามึงนั่งดูหนังทั้งคืนเนี่มันนั่งดูได้ เวลาเล่นไพ่ทานะไมเล่นได้มาพอม า, มานั่งสวนบุนไม่กี่นาทีนปวดเมื่อยขึ้นมาทันทีเราต้องใช้ปัญญาสู้กับมันใช่ไหยเวลาเราทำอะไรชอบนี่ไม่หนักยังไงก็สู้ไหวหาเงินนี่จะเจอจะจ ะ, จะลำบากขนาดไหนก็ยาหาสู้ได้พอให้มาหาธรรมะนี่ไม่เอาพนะ อ, อให้ไปทาบุญนี่โอ้ยุ่งยากไปหมดนั่น พอต้องเสียงงันนี่มันยากไปหมดเลยพอได้งานนี่พอมันง่ายไปหมดเลยให้ไปปีนภูเขาก็ไปใช่ไหมทางทาง f a เฟซ o ุ๊กยูทูบอาจารย์ครับเ ป, เป็นไปได้ไหมมาแค่ไหนครับพี่จะชื่อเหมือนกันชื่อพ้าครับอาจาอ๋อเป็นไปได้อย่างเราก็มีคน<ม><ร>ชื่อเขาคือเวลาอุปชาตั้งชื่อให้เรานี้เขาจะเปลี่ยนนามสกุลเราไง แต่ว่นานามสกุลนมชื่อสุขใจวเวลาราบวชเขาให้เลิกใช้นมสกุลแล้วเขาจะให้ฉายาฉายาเขามักจะต้องตั้งตามชื่อชื่อแรกของเราแล้วก็วันเกิดของเราอย่างเราเกิดวันอาทิตย์เนี่ยแล้วเราชื่อสุชาติเนี่ยเาเลยตั้งเป็นอภิชาโตเพราะว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นี้เขาเรียกว่าวันยิ่งใหญ่วันอภนีแล้วก็เอาชาโตเข้ามาเอาชาติมาใส่ก็เลยเป็น อภิชาโตที่ถ้าอีกคนนึงมีชื่อเหมือนเราแล้วไปเกิดวันอาทิตย์เหมือนเราเขาก็มีชื่อเหมือนเรามีอยู่องค์นึงรู้สึกจะอยู่ที่วัดบวัรที่มีชื่อชื่อเหมือนกันฉายาเหมือนกันอันนี้อยู่ที่วัดวัดที่เพชมบูรณ์ครับอวัดดอกไม้เรนู้แต่ว่าเป็นอเป็นทางด้านวัดศิลาดอกไม้แต่เป็นทางด้านอ่าผุกเศษนิดนึงอยู่ในไช่ดังนั้ก็ต้องต้องถามว่าอยู่วัดไหนด้วยถึงจะรู้ว่าเป็น อ่าเป็นพระ อ, องค์เดียวกันหรือเปล่าเพบางทีก็มีคนก็มีมีมาบอกว่ามีพระชื่ อ, อนั่นชี้พี่เหมือนกันบางทีก็คิดว่าเป็นเราเขาไปเห็นว่าไปงานนู่นงานนี้มาบอกวเราไม่เคยไปงานไหนไม่อยู่งานหนึ่งที่เขาสงสัยพระจารย์กันนะครับงานสงตาเขาก็บอกเขาเองพระจ้ารย์ทั้หมดเลยพระจารย์นม่ได้ไป เมื่อเดี๋ยวนี้มีคนมาบอกว่าเราปลูกเศษอะไรเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรานแต่ชื่อเราเนี่ยครับที่นี่ครับจะเป็นเขาเขียนว่าหลวงพ่อสุชาติอภิชาโตวัดศิลาดอกไม้เพชรบูรณ์ครับได้เอ๊ะมันเป็นไปได้ชื่อแรกนี่มันก็เหมือนเราคนเราชื่อแรกนี่เหมือนกันเยอะใช่ไมสมสีนี่มีเยอะแยะไปหมดเอแล้วบางทีอาจจะมีนามสกุลเหมือนกันก็ได้แต่อาจจะไม่มีไม่ได้เป็นญาติกันไม่ได้เกี่ยวข้องกัน เพราะว่าของาราครอไม่มีระบบออนไลนนะ์ยังไม่มีระบบเชื่อมต่อกันต่อไปอาจจะทันสมัยต่อไปอุปชาเวลาจะตั้งชื่อต้องเช็คก่อนว่าเหมือนเวลาเราไปเราไปตั้งเปิดเราไปเปิดอีเมลนี่เราใช้ชื่อนี้มันจะบอกว่าชื่อนี้มีมีใครมีหรื อ, อยัง <Yeah. S 1> ต่อไปอาจจะต้องมีระบบออนไลน์แล้วเวลาจะตั้งชื่อตั้งฉายาให้นุสิตนี่ต้องเช็คดูก่อนว่ามีชื่อนี้หรือเปล่า แล้วพอพอสึกไปแล้วนี่ฉายาเขาหมดไปแล้วใช่ไหมก็หมดไปแล้วก็ใช้นามสกุลเหมือนเดิมอ่ะคุณ<ย>ถามจากเฟซบุ๊กไลฟ์คำถามจากคุณธนิดาหากว่าเราปฏิบัติจนรถการมมาการรมาลูมแล้วแต่คนที่บ้านยังมีอยู่ต้องทำเช่นไรคะถ้าไปอยู่วัด ทิ้งลูกจะบาปไหมคะแต่ลูกมีคนดูแลอาจจะไม่สมบูรณ์แบบคะ่ะก็ก็ดูความเหมาะสมเวลากันว่าถ้าเขาอยู่ได้ไม่เดือดร้อนก็ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นปัญหาไอ้บาปมันไ ม, ม่บาปอยู่แล้วแต่ถ้าเราทอดทิ้งเขาเขาเดือดร้อนจากการที่เราไม่ดูแลเขานี่มันก็เป็นความขาดความเมตตาเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ยัง ไม่ทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ถ้าจะไปก็ต้องมีคนอื่นมาดูแลแทนหรือมีวิธีใดที่ทำให้เขาอยู่ได้โดยที่เขาไม่เดือดร้อนรอเราก็ไปได้คำถามจากคุณโอโมพระอาจาย์ครับทำไมพระอาอาหารเมื่อท่านละสังขารไปอธิ้าจะแปลสภาพเป็นสีต่างๆสวยงามครับ เคยฟังจากคำหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าเพราะจิตของพระอรหันต์ท่านบริสุทธิ์จึงส่งผลถึงธาตุขันธ์ท่านใดที่บรรลุอรหันต์แล้วทรงคาตขันธ์ไว้นานก็จะส่งผลให้แต่สภาพส่วนท่านที่บรรลุแล้วมีได้ทรงธาตุขันธ์ไว้นานพอสมควรก็อาจจะทําให้ไม่ส่งผลทําให้พระธ า, าตุแปรสภาพอยากขอความเห็นจากพระอาจารย์ครับก็เหมือนเราซักผ้าเนี่ย ถ้าเราแช่ผ้าเดี่ยวๆกับแช่ผ้านานๆเนี่ยสิ่งที่มันติดอยู่ในเสื้อผ้ามันก็จะออกได้นับมากน้อยต่างกันถ้าเราแช่ผ้าไว้นานให้สุผพงซักฟอกมันมีโอกาสได้เข้าไปละลายสิ่งที่มันติดอยู่กับเสื้อผ้ามันก็ทำให้เสื้อผ้าสะอาดกว่าถ้าเราไปแช่ปุ๊บแล้วเราก็เอาขึ้นมาเลยเนี่ยมันก็อาจจะยังยังซักไม่ยังไม่ไม่ทั่วถึง มันก็เลยทำให้ผ้ายัางไม่สะอาดการจิตก็เป็นเหมือนเครื่องซักฟอกจิตที่บรยสุทิก็เป็นเหมือนจิตที่มีผงซักฟอกมันก็จะไปซักฟอกธาตุคือกันดูให้กลายเป็นธาตุขึ้นมาแต่ถ้ามีเวลาน้อยเช่นบรรลุได้ไม่กี่เดือนแล้วก็ตายไปอย่างเงี้ยก็มีเวลาน้อยกว่าพวกที่บรรลุแล้วอยู่เป็นสิปียี่สิบปีตรกนี้จะมีเวลาฟอก กอกดูกให้เป็นธาตุขึ้นมาคำถามจากคุณจันทรรัตเวลานั่งสมาธิแล้วเข้าพวาวังไปสักพักจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาทุกครั้งอยากทราบเพราะอะไรเจ้าคะอา่าก็หลับไปนี่มันก็หลับไปมันตเ่นมันก็สะดุ้งนะคำถามจากคุณชิลารด์ค่ะผมพยายามรักษาสีนห้าไม่ให้ขาด แต่ก็ต้องผิดสินข้อหนึ่งอยู่บ่อยครั้งซึ่งทําให้เศร้าใจยิ่งนักเมื่อวานก็ได้ฆ่าลูกน้ําไปหลายพันตัวเพราะเกรงว่าจะกลายมาเป็นยุงนําโรคร้ายมาสู่ครอบครัวและเพื่อนบ้านในใจก็คิดว่าบาปแน่นอนเพราะเราเจตนาจะไม่ให้ลูกน้ํากลายเป็นยุงคําถามคือในพุทธการมีเหตุการณ์ไหนบ้างที่การฆ่าสัตว์พระพุทธเจ้าว่าไม่บาปบ้างครับแล้วการฆ่าลูกน้ําในครั้งนี้ผมจะบาปมากไหมครับ ก็ถ้าฆ่าด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุรกายถ้าฆ่าด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตนี่ฆ่าด้วยความกลัวทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสุรกายอสุรกายเป็นไงเราก็ไม่รู้เราไปคนดูแล้วก็ก็จะรู้ว่าเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวกลัวไปหมดเนี่ยมาเกิดใหม่ก็จะกลัวเป็นโลกโลกกลัวขี้กลัว อะไรนิดหน่อยก็กลัวไปหมดคนก็อมองทําไมคนอื่นเขาไม่เห็นหวาดกลัวเหมือนเราเขาก็อยู่ไปยุงมันจะกัดใกล้มันกัดไปเป็นอะไรก็รักษาไปถ้ามันจะตายก็ก็มันก็ต้องตายมันมันไม่ได้ตายจากนี้มันก็ต้องไปตายจากเรื่องอื่นอยู่ดีให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้โปรงได้ยอมอ่าไปทําบาป ทำไมคนอื่นเขาไม่ต้องทำเหมือนเราทำํำนะเราก็หามาตรการอย่าให้มันมีที่น้ําขังสิถ้ามีมีตัวตัวลูกน้ําอยู่ในน้ำํำเราก็เอาไปปล่อยไ่ปล่อยในลำธานลําห้วย้ําคลองก็ได้อย่างของบนปักกวนเขาเนี่ยบางทีพระอาจจะลืมเอาน้ําตั้งไว้ข้างนอกแล้วจ่นตุ่มน้ําแล้วบางทีเผลอไม่ได้ปิดฝาไว้ สองวันมาดูอาลูกน้ำนี่แล้วก็เลยต้องตักลูกน้ำใส่ใส่กระป๋องแล้วก็เอาไปเอาไปปล่อยไม่ให้ฆ่าไปปล่อยในแหล่งน้ำที่ทำให้มันยังอยู่ต่อไปได้อย่าไปเทบนลงดิน <c oughs> คำถามจากคุณมนถ้าคนที่เกิดในศาสนาพุทธเวลาตายไปแล้วเกิดชาติหน้าจะได้เกิดในศาสนาพุทธอีกไหมครับก็หนึ่งมันจะมีศาสนาพุทธให้เรามาเกิดหรือเ ป, ปล่าก็ไม่รู้ศาสนาพุทธไม่ใช่จะมีอยู่ไปตลอดเนี่ยศาสนาพุทธของเรานี้พุทธเะจ้าบอกว่าอยู่ไม่เกินห้าพันปีแล้วชาติหน้าเรากลับจะกลับมาเกิดไม่รู้กี่กี่ร้อยกี่พันปีก็ได้เพราะเราดังต้องไปใช้บุญใช้บาปก่อน บุญที่เราทำบาปที่เราทำนี้เราต้องไปใช้ก่อนใช้แลกลับมาเกิดก็ไม่รู้จะมาเจอพระพุทธศาสนาหรือไม่อาจจะเกิดในโลกนี้แต่ไปเกิดอีกซีก่กกกหนึ่งของโลกก็ได้ไปเกิดในประเทศที่ไม่มีศาสนาพุทธก็ได้เช่นไปเกิดในแอฟริกาตอนนี้ไปเกิดในประเทศตะวันออกกลางนี่เขาก็ไม่เจอพระพุทธศาสนากันแต่เจอก็ต้องขยันพวกฝรั่งเนี่ย เขาก็ไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพุทธศาสนาแต่เขาเป็นคนที่ขวนขวายศึกษาเขาก็ไปอ่านเจอหนังสือพุทธศาสนาเข้าหรือไปเจอในอินเทอร์เน็ตเี่ไปรู้ว่าประเทศไทยมีพุทธศาสนาเขาอยากจะพบกับพุทธศาสนาเขาก็เดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็มาศึกษามาปฏิบัติเนี่ยบนเขาเนี่ยอยู่ห่างไกลจากบ้านจากเมืองแต่ มีฝรั่งฝรั่งติดต่อมาอยู่เรื่อยๆจะมาขออยู่มาขอศึกษามาขอปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเ ม, ามาื่อเชาวนี้ก็มีพระมาเล่า ว, ว่ามีมีพระรูปหนึ่งเป็นชาวอาร์เจนตินาตอนนี้ไปบวชอยู่ที่พม่าแต่ก็ได้ยินได้ยินถึงสถาน ท, ที่บนเขานี่ก็อยากจะมาขออยู่จำพรรษาเราก็บอกว่าที่นี่เวลามาใหม่ๆให้อยู่แค่สองอาทิตย์ก่อน มาลองดูก่อนหรือว่าอยู่ด้วยกันได้ไหมถ้าอยู่ด้วยกันได้ก็ต่อได้ถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็สองอาทิตย์ก็พอละ <c oughs> คำถามจากคุณนาราเวลาของหายควรทําอย่างไรไม่ให้ทุกข์ครับอของหายก็คิดว่าของขโมยไปแล้วครับของหายมันก็ไปแล้วหรือ ว, ว่าคิดว่ามันไม่ได้เป็นของเรา ถ้าของที่มันเป็นของเรามันก็ต้องอยู่กับเราถ้ามันไม่ได้อยู่กับเราก็แสดงว่ามันมันไม่ได้เป็นของของเราแต่เรามักจะไปคิดว่ายังเป็นของเราอยู่ใช่ไหมพอเราคิดว่าเป็นของเราเราก็อยากจะได้คืนงั้นต่อไปนี้ถ้าของอะไรที่ไม่ได้อยู่กับเราก็ถือว่าไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของคนอื่นต่อไปแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะได้ไม่อยากไปได้คืนแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ข้อที่สอง เทวดาคือใครครับเทวดาเราควรไหว้ไหมครับเทวดาก็คือดวงวิญญาณของพวกเราเนี่ยที่ตายไปถ้าเราทําบุญเราก็ไปเป็นเทวดาถ้าเราไม่ได้ทําบุญเราทําบาปเราก็ไปเป็นเปรตไปตกนรกแทนก็คือดวงใจของพวกเราแต่ละดวงเวลาไม่มีร่างกายนี้ก็จะกลายเป็นเทวดาหรือเป็นเปรตเป็นเป็นผีไปแล้วแต่บุญตะบะ ท, ที่เราทํากันไว้ จะกราบก็ได้ไม่กราบก็ได้ก็เหมือนกับเหมือนกับเราพบคนเน่ะกคตรพรมถ้าพบกับผู้ใหญ่เราก็ไหว้เขาเขาลบเขาพบกับคนที่เด็กเด็ ก, กว่าเราเราก็ให้ความเอ็นดูเมตากับเขาไปจะไหว้จะกราบก็แล้วแต่ว่ามันเป็นธรรมเนียมที่จะต้องไหว้ต้องกราบกันหรืล่าข้อที่สามพระไหว้พ่อแม่ได้ไหมครับตามธรรมเนียมแล้วพระถือว่าสูงกับพ่อแม่ พะมีศีลมีธรรมการไหวนี่เรามักจะไหว้ผู้ที่สูงกว่าเราผู้ที่ต่ำกว่าเรานี่เราไม่ไหว้เรารับไหว้ถ้าเขาจะไหว้เราแต่ถ้าเขาไม่ไหว้เราเราก็ไม่ไปขอร้องให้เขามาไหว้เขาไม่ไหว้ก็แล้วไปเช่นแม่อยากจะให้ลูกไหว้แม่แต่ไปขอมันก็ไม่ได้ถ้ามันไม่ไหว้ก็ช่างมันแต่ลูกนี้ถ้ารู้ว่าเป็นแม่เป็นพ่อก่ต้องควรไหว้พ่อไหว้แม่ เพาพ่อแม่มีพ่อคุณกว่าแต่ถ้าพราะถ้าลูกมาเป็นพระเนี่ยแสดงพระพระมีกับสูงกว่าพ่อแม่เพราะพระมีศีลมากกว่าพ่อแม่พ่อแม่อาจจะมีแค่ศีลห้าแต่พระมีศีลสองรอยี่ิบเจ็ดที่เราไหว้พระเพราะว่าท่านมีศีลมากกว่าเราคําถามจากคุณลุชนาะค่ะจะแก้ไขแบบไหนคะเคยฆ่าสัตว์เลยคานด้วยความกลัวค่ะ ตั้งแต่ยังเป็นเด็กไม่อยากเป็นนักสุ ล, ลกายค่ะก็อย่าไปทําอีกเลยอย่าไปทําอีกแล้วพยายามทมําบุญอุทิศให้พวกสัตว์เลื้อยคานไปเรื่อยๆทาบุญเทไรก็ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเขาไปหัดสร้างความเมตตาให้กับสัตว์เลื้อยคานต่อไปเวลาเราเจอเขาเราจะได้ไม่ไม่ฆ่าเขาคํถาถามจากคุณแอมเวลาเห็นพระพิสุทธ จับเงินทองซื้อของควรวางใจเฉยไม่ไปสนใจใช่ไหมคะแต่พอเด็กๆถามจะอธิบายอย่างไรดีคะก็บอกว่าสมัยนี้พระบางทีท่านไปบวชในวัดที่เขาอนิยาตให้จับเงินจับทองได้นี่พระมีมีวัดอยู่สองสายสายที่จับเงินจับทองได้กับสายที่จับเงินจับทองไม่ได้ เห็นพระคนที่ไปบวชสายที่จับเงินจับทองได้เขาก็ไม่รู้ว่าจับไม่ได้เพราะว่าดที่เขาไปอยู่เขาอนุญาตให้จับกันได้ ก, ก็แสดงว่าศาสนาเรื่องกลายพันธุ์ไปแล้วกันหรืองถาอาวาไปอ้าวไปคำถามฝากถามจากผู้ดูคิดนะครับเขาถามว่าสอครับคุณสอสอถามว่า การกินเจกับการกินมังได้อันนี้สอต่างกันอะอมังสาเวลากับเจก็อันเดียวกันไม่ใช่เลยใช่ครับคือไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยก็ไม่ได้นนี้สองอะไรก็คนออคนกินมังก็คนกินเนื้อสัตว์ใช่ไหอืมอ่ากินไข่กินนมในในที่นี้เขาคงจะหมายถึงคนกินเนื้อสัตว์นะมังสะมังสะแปลว่าเนื้อสัตว์คนกินเนื้อสัตว์กับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์นี่ มีความแตกต่างกันอย่างไรเรื่องกินไม่มีคือเนื้อสัตว์ที่กินมันก็ตายแล้วผักมันก็ไม่มีชีวิตมันก็เหมือนกันกินแล้วก็ไม่ต่างกันกินแล้วก็อิ่มเหมือนกันถ่ายออกมาก็เป็นอุจจาระเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันคนที่กินเนื้อสัตว์จะจะไม่ดีตรงที่ว่าถ้าไปฆ่าเนื้อสัตว์มากินเองก็จะเป็นการทาบาต ถ้าไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วมามามากินนี่ก็ไม่บาปก็ไม่ต่างกับคนที่กินกินเจคนกินเจก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์คนกินเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ก็ไม่บาปเหมือนกันดะงนั้นการกินมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับการฆ่าหรือไมการฆ่าคนที่ฆ่าแล้วกินเจก็มีเห็นไหมฆ่าเช่นฆ่าฆ่าลูกน้ำแต่ไปกินเจนเวลามียุงมาก็ตกมันเลยอยันนี้ กับคนที่กินเนื้อสัตว์แต่ไม่ฆ่ายุงเนี่ยคนที่กินเนื้อสัต <wegen> ว์ไม่ฆ่ากับกับเป็นคนที่ไม่ได้ทำบาปแต่คนที่กินเจแล้วไปฆ่ายุงเนี่ยกับเป็นคนที่ทำบาปเพราะยังมีการฆ่าอยู่แล้วเรื่องการกินมันไม่ได้เกี่ยวกับการฆ่าหรือไม่ฆ่าการฆ่าก็บาปไม่ฆ่าก็ไม่บาปกินผักหรือกินเนื้อสัตว์ที่ตายไปแล้วมันก็ไม่บาปเหมือนกัน คำถามจากคุณนพลค่ะการที่ฟังถามตอบจากหลวงพ่อแล้วใจไม่รู้สึกขัดเลยเห็นด้วยทุกอย่างเช่นนี้ผมจะหลงใหม่ครับเพราะธรรมชาติคนเราโดยปกติอาจมีความรู้สึกขัดแย้งบ้างไม่มากก็น้อยแต่ผมกลับรู้สึกตั้งข้อสงสัยกับตนเองว่าทำไมใจเราไม่คัดค้านหลวงพ่อบ้างเลยค่ะก็ดูที่ความจริงเลยว่ามันจริงหรือไม่จริงนะถ้ามันถ้ามัน ถ้ามันจริงเราจะไป <als> คาดคานความจริงได้ยังไงใช่ไหมถ้าตอนนี้มันร้อนแล้วเราบอกว่ามันหนาวเนี่ยคุณมาเชื่อเราเนี่ยแสดงว่าคุณหลงแล้ว่ะเพราะมันร้อนเนยคุณก็รู้มันร้อนแต่เราบอกว่ามันเย็นถ้าเราบอกว่ามันร้อนคุณก็รู้ว่ามันร้อนมันก็ร้อนจริงๆเล้วเห็นกความต้องการนี้มันจะไปหลงได้มันก็เป็นเรื่องของความจริงนั้นการที่เราคิดอะไรเราเชื่ออะไรกับใครนี้เราต้อง ดูที่เหตุผลดูตามหลักความเป็นจริงว่าสิ่งที่เขาพูดจริงหรือไม่จริงเมื่อมันจริงแล้วจะไปจะไปจะไปขัดกันไปไปอะไรกันได้ไหมไม่ได้เพราะทุกอย่างมันตั้งอยู่บนความความเป็นจริงใช่้ยแล้วพูดทุกอย่างนี้เพื่อ้นหาความจริงกันมเมื่อมันเป็นความจริงมันก็ตกลงกันได้เห็นพ้องต้องกันได้อย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าหลงคาถามจากคุณเดือน พระสงบินธบาตวันละหลายรอบถ้าไม่อยากใส่พระองค์นี้จะบาปไหมครับหลายรอบไหยถึงไงพระบินธบาตรหลายรอบอ๋อเดินไปเดิับอย่างนี้แล้วแต่ว่าอาหารในบาทท้งน ม, มีมีพอหรื อ, อยังเพราะสมัยนี้บางทีในกรุงเทพเนี่ยญาติโยมไม่มีเวลาใส่บาทกันก็มักจะไปใส่ตามร้านค้าร้านที่เขาขายของแล้วก็พระก็เลยต้องวนอยู่แถวนั้น วนวนมารอบแรงได้ไปเจ้าหนึ่งเดี๋ยวก็กลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะบางทีมันยังไม่พอแต่ถ้าท่านวนมาเพื่อที่จะเอาไปขายหรือว่าไปนี้ก็ไม่ก็ไม่ควรใส่แต่ถ้าเห็นว่าท่านยังไม่พอฉันเนี้ยท่านวนกลับมาอีกเพื่อที่จะได้พอหรือว่าบางทีท่านอาจจะสงเคราะห์ลูกศิษย์เพราะที่วัดที่กรุงเทพก็มักจะมีเด็กต่างจังหวัดไปขออยู่อาศัยอยู่ด้วยบางทีท่านก็เมตตา บินทบาดก็อาหารมาแบ่งให้เด็กเพราะเด็กมันไม่มีที่อยู่อาศัยมาเรียนหนังสือแต่ไม่มีเงินไปเช่าหอพักหรืออะไรพ่อแม่ก็เลยมาฝากกับพระที่รู้จักกันอะไรทั้ ง, งน้อยพระก็เลยสงสารนั่นบางทีท่านไปบินทบาทของท่านคนเดียวท่านพอฉันแล้วแหะแต่คิดถึงลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์มันกินมากกับาพระอีกพระกินแค่เมือ่อเมื่อเพลนแต่ลูกศิษย์เดียวมันต้องกินเมื่อเย็นอกเนี่ย บางทีท่านก็เลยอาจจะต้องมาวนกลับมาหลายรอบหน่อยเพื่อที่จะได้ให้พอกับความต้องการอันนี้ก็กปล่อยเป็นเรื่องของท่านก็นแล้วกันเพราะมันเป็นการบินทบาติท่านจะบินกี่รอบมันก็เรื่องของท่านท่านจะบินด้วยความโลภหรือบินด้วยความเมตตาก็เรื่องของท่านก็นแล้วกัน อ, อันนี้มันเป็นเรื่องของบุญกรรมของแต่ละคนะเราก็อยู่ที่เรา ถ้าเราให้เราก็ได้บุญท่านจะมากี่รอบเราก็ใส่เป็นทุกรอบเราก็จะได้บุญมากขึ้นถ้าเราใส่รอบเดียวเราก็ได้บุญบุนครั้งเดียวถ้าท่านมาสามรอบเราใส่สามครั้งเราก็ได้บุญสามเท่าให้มองอย่างนี้แล้วทุกคนก็จะแฮปปี้กันคาถามจากคุณฮาเหน่งพระอาจารย์ช่วยอธิบายความแตกต่างของพระโสดาบันปฏิมาศกับพระโสดาบันปฏิขลครับ ก็ปฏิมากก็คือการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป็นสวัสดามันปฏิผลก็คือผลเหมือนกับการเรียนปริญญาตรีการจะจบปริญญาตรีนี้ต้องเรียนกี่ปีสี่ปีเนี่ยระหว่างเรียนสี่ปีนี้เรียกว่ากําลังเจริญมากอยู่พอเรียนจบสี่ปีก็ได้ปริญญาก็ได้ผลการพิจารณาเพื่อรสังโยชน์สมข้อก็เรียกว่ากำลังเจริญมากอ พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเวทนานี้ไม่ใช่เราเวทนานี้เป็นของร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายเราต้องปล่อยวางร่างกายเพราะถ้าเราไม่ปล่อยเราจะทุกข์ที่เราปฏิบัตินี้เพื่อดับความทุกข์ที่เกิดจากความหลงไปยึดไปติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราพอเราอาศัยปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบมาสอนเรา สอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป hey. ็นของพ่อแม่พ่อแม่ให้ร่างกายนี้มาเราเป็นเพียงผู้มารับร่างกายนี้เป็นเหมือนของขวัญการรับของขวัญแล้วจะทำให้ของขวัญกลายเป็นตัวเราขึ้นมาหรือเปล่าจะนะของขวัญก็เป็นของขวัญอยู่นั่นะร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนของขวัญจากพ่อแม่เราเป็นผู้รับของขวัญเราจะกลายเป็นของขวัญไปได้ไงเราจะกลายเราจะกลายเป็นร่างกายไปได้ยงไงเราก็เป็นเพียงผู้ ได้ของขวัญมามันได้ตุ๊กตามาเงี้ยเวลาพ่อแม่ซื้อตุ๊กตามาให้เราเรากลายเป็นตุ๊กตาไปหรือเปล่านะใช่ไหมแต่เราหลงเนี่ยใจเราไม่มีร่างกายพอได้ร่างกายมาก็เลยคิดว่าเราเป็นร่างกายไปพระพุทธเจ้าเลยต้องมาสอนเราให้บอกว่าอย่าไปหลงว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเพอไปหลงแล้วมันจะทําให้เราทุกข์เพราะเราจะรักเราจะหวงเราจะไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตาย พอเกิดความไม่อยากให้มันแก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทําให้เราทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ปล่อยมันแก่ไปปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันตายไปเราก็จะไม่ทุกข์เนี่ยอันนี้คือโสดาปฏิมัติสอนใจให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเพื่อเราจะได้ปล่อยได้พอปล่อยแล้วเราไม่ทุกข์กับร่างกายเราก็บรรลุเป็นโสดามันได้นั่นก็ได้ผลโสดาปฏิผลขึ้นมา อาจารย์ไหมากกว่าผลคําถามจากคุณเกษรินปวกในบ้านแล้วต้องทํายังไงครับจะฆ่าก็กลัวบาปจะไล่ก็ไม่ไปครับก็มีคนเขาจะฆ่าแทนเรานี่ก็ให้เขามาฆ่าเลยเขายินดีไปเปิดหนังสือดูเลยไปคนในอินเทอร์เน็ตดูบริการกําจัดปลือกเขียนเข้าไปบริการกําจัดปลวกก็จะโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแล้วก็ส่งอีเมลไปว่าที่นี่กําจัดปลือกเลย ที่บ้านมีปลวกทำไงดีเดี๋ยวเขาก็จะบอกเราเองแล้าก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะจัดการให้ขอให้โอนเงินเข้าบัญชีนี้ชัญชีนี้ไปแล้วก็โ อ, อนไปแล้วเดี๋ยวเขาก็มาจัดการให้เองแล้วก็มาทําเองโดยที่เราไม่ได้สั่งเขาเราก็ไม่บาปแต่อย่าไปสั่งเขานะอย่าไปบอกช่วยมากําจัดปลวกที่บ้านให้หน่อยอบอกไม่ได้แต่ถ้าเขาอาสามาเองเป็นเรื่องของเขาอ่ากุสโลบาย เหมือนผ้าตัดต้นไม้ไม่ได้บางทีก็ต้องพูดโยมเนี่ยต้นไม้มันจะชนหลังคาแล้วโยมเห็นก็โยมก็มาตัดให้เองแต่ไปสั่งให้โยมตัดไม่ได้โยมช่วยตัดต้นไม้ให้หน่อยไม่ได้พูดหีิงไม่ได้แต่ถ้าบอกแล้วโยมไม่เข้าใจก็ดีนี่ก็หนาวไป <laughs> จะได้ร่มเย็น <laughs> เจตนาลคว่อาอยากเหรอเจตนาก็ไม่เป็นไรแต่มันเราไม่ได้ทำมันต้องครบทั้งสามมีเจตนาและมีการกระทำด้วยมีการสั่ง <Okay. S 2> แา่มีเจตนาแต่ยังไม่มีการสั่งหมายถึงมันมันขั้นผิดเพราะวินัยแต่มันไม่ใช่เรื่องไร้แรงเช่นแบบ โยมคนนี้มันหน้าหมันไส้ยังเลยไปฆ่าหน่อยอะไรเงี้ยแบบอยากทำไม่ได้ไม่ได้สั่งไม่ได้ไปสั่งไม่ได้แต่บอกโยมฉันเกียดไอ้คนนี้แล้วโย <c oughs> ม <c oughs> มันมาเอาอก็บอกความจริงไงบอกอว่าเราอ๋อใมันมามันมารบกวนเร า, ม, ม, า, เรามันมาทําร้ายเราอย่างเงี้ยมันมาทุบมาตีเราเนี่ยแล้วโยมเป็นเดือดเป็นแค้นแทนเราแล้วก็ไปกําจัดมันให้เราเนี่ยเราไม่ได้ไปสั่งมันเนี่ไม่เป็นไร แต่ถ้าเราไปสั่งมันเนี่ยบอกให้ช่วยไปกำจัดอันนี้ให้หน่อยมันมาทำร้ายเราอย่างนี้ไม่ได้แต่ปรับทุกได้บอกว่าี่ยโอไอ้คนนี้มันมาคอยบครบกวนเรามาคอยตีเรามาคอยสร้างเวรสร้างกรรมให้กับเราอถ้าโยมสงสารไมเป็นเดี๋ยโยมจัดการให้บาปก็ไปอก็ยอมว่ายินดีทำบาปเพื่อเราเพื่อว่าเขาได้บุญนะ ว่าพูดว่าเออเราไม่อยากทำร้ายเขาแล้วอยู่ๆขมติเราแล้วเราพลั้งอะไรไปโดนเขาแล้วแล้วเขาเกิดเป็นอะไรตายตาย่านนี้เรีวบาปไคะอันนี้ถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยมันก็บาปแต่บาปเพราะว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนี่อาจจะมีหนักมีเบาต่างกันเหมือนทางกฎหมายใช่ฆ่าคนตายด้วยการป้องกันตัว ก็ก็ยังเป็นการฆ่าอยู่แล้วก็ตั้งค่าคนตายด้วยความเจตนาตั้งใจเนี่ยมันก็จะโทษหนักกว่ามีโทษต่างกันพระพระอาจจะคนที่ไปบอกให้เขามากําจัดตัวก็อาจจะมีอาจจะบาปเหมือนกันก็ได้ไม่รู้เนี่ยแต่เพเียงแต่เราไม่รู้บาป ม, มากบาปน้อยแค่นี้ก็ควรจะน้อยกว่าสั่งให้เข้ามาทําให้หรือทําเองะ ไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ทําเองอแต่ก็ยังมีเจตนาให้เขาตายแล้วเขาก็ตายแต่ไม่ได้ตายจากการกระทําของเรา<ม>เข้าใจไหมเห็นกระถามว่าความเมตตานี่มันเป็นสากล์แต่ทําไมมันมั น, ม, นมันมันมีอุปสรรคเพราะมันเป็นเรื่องของภาษาหรือเปล่าเพราะไม่ใช่อุปสรรคเรื่องภาษาหรอกเพราะว่าคนกับหมานี่ไม่ได้พูดภาษาเดียวกันยัง ยังสามารถให้เมตตาต่อกันได้ไอ้สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเมตตาต่อกันก็คือความโกรธเกลียดกันต่างหาความโกรธเกลียดกันมันเลยทำให้เราไม่สามารถให้ความเมตตาต่อกันละกันได้ดังนั้นเราต้องกำจัดความโกรธความเกลียดอย่าไปเกลียดคนอื่นพยายามมองให้เห็นว่าเราเป็นเหมือนพี่น้องกันเป็นเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทุกคนอยากจะมีความสุข ไม่อยากจะมีความทุกข์กันทุกคนอยากจะได้รับความเมตตากันไม่มีใครอยากจะได้รับความโกรธเกลียดกันเหอดังนั้นเราต้องกําจัดความโกรธเกลียดแล้วเราก็จะสามารถให้ความเมตตกับผู้อื่นได้คําถามจากคุณโดลาบทสวดมนต์จำเป็นต้องจาให้ได้ไหมคะปกติจะเปิดหนังสือสวดค่ะ อ, อถ้าจําได้มันจะดีกว่าเพราะจะได้ไม่ต้องดู พอเวลาดูนี่มันจะต้องใช้สายตาจิตมันจะส่งออกข้างนอกไปทางตาไปทางรูปเนี่ถ้าเราปิดตาส่วนได้จิตมันจะได้เข้าข้างในการส่วนนี้เราต้องการดึงจิตให้เข้าข้างในเพราะถ้ามันไม่เข้าข้างในมันจะไม่สงบถ้ามันยังดูหนังสืออยู่นี่มันจะไม่สงบเหมือนกับหลับตาถ้าหลับตาแล้วมันจะสงบง่ายกว่าเร็วกว่างนั้นหัดท่องจาให้ได้ ถ้าท่องจำไม่ได้มากก็เอาแค่สั้นๆก็ได้แต่สวดหลายๆครั้งสวดซ้ําๆไปการสวดนี้มันไม่มีไม่มีความจําเป็นจะต้องสวดยาวหรอสวดสวดสั้นก็ได้แต่สวดให้มันนานสวดให้มันหลายๆรอบสวดเพื่อให้เราหยุดคิดเท่านั้นเองคําถามจากคุณนีนาค่ะโยงใช้ดูลมหายใจและพุโทโธแต่สองครั้งแล้วที่รู้สึกว่า แรงดึงฉุดขึ้นมาบนซี่หน้าขวาแรงมากจนไม่สามารถดูลมหายใจต่อได้โยมจึงตอบตัวเองว่าลมไม่ได้แต่พุทธโทได้ก็เอาพุทธโทและดูใจยังโอเคไหมตอบยังโอเคอยู่แล้วไม่ต้องไปตามแนวแรงดึงนั้นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับโยมจึงพุทธโทรไปเรื่อยๆพร้อมกับแรงดึงที่ยังปรากฏนั้นคับใหญ่แรงนั้นก็หาย ก็ภาวนาไปเรื่อยๆทำแบบนี้ถูกไหมคะถูกแล้วแหละขอให้เรามีพุทโธเกาะไว้แล้วอาการต่างๆมันจะเป็นก็ไม่ไม่เป็นปัญหาเลยแล้วเดี๋ยวพอจิตเราเริ่สมสงบอาการเหล่านั้นก็จะหายไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามปฏิบัติแล้วเวลาออกมาจากสมาธิบระลบสิ่งที่ไม่ถูกใจยังโกรธอยู่แต่ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนและหายไวขึ้นเพราะสติเร็วขึ้น แต่ก็ยังไม่ทันอารมณ์อยู่ดีไม่ทราบว่าถูกต้องไหมคะเห็นเขาบอกว่าคนนั่งสมาธิมากๆจะข่มใจไว้แล้วเวลาโกรธจะรุนแรงก็เป็นไปได้ถ้าเวลาออกมาแล้วไม่ควบคุมใจไว้ด้วยสติต่อถ้าออกมาแล้วปล่อยให้ให้ให้เกิดอารมณ์ขึ้นมามันก็ระเบิดขึ้นมาได้เวลานั่งสมาธิออกจากสมาธิก็ยังต้องคุมใจต่อไปยังต้องพุทโธต่อไปต้องมีสติอยู่ต่อไป แต่บางคนคิดว่า ไ, ได้สมาธิแล้วออกมาแล้วไม่ต้องคุมใจพอไปเจออะไรที่ไม่ถูกใจก็ก็สามารถที่จะหลุดได้เพราะตอนนั้นไม่มีสติคอยควบคุมใจอย่างนั้นจำเป็นจะต้องมีสติตลอดเวลาก่อนจะเข้าสมาธิก็ต้องมีสติหลังจากออกสมาธิมาแล้วก็ต้องมีสติต่อไปแล้วจะสามารถคอยคุมใจได้ แต่ถ้าออกมาจากสมาธิก็โอ๊ยเรามีสมาธิแล้วเราไม่ต้องมีสติแล้วเดี๋ยวไปไปเจออะไรเข้าที่ไม่ถูกใจมันก็จะหลุดออกมาได้ความโกรธมันก็จะหลุดออกมาได้แต่ถ้ามีสติพอรู้ว่าโกรธก็พุทโธพุทธโทรเางับมันไดไรร้ถ้าก็มีการวัดสมการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติ <c oughs> ก็แสดงว่าจะต้องวัดจากข้อสอบ แต่ลอันที่มาเจอแล้วเราจะรู้ว่าเราพัฒนาขึ้นหรือไม่ใช่มากกว่าที่เราจะเพราะว่าการที่เราจะดูสติหรือว่าเข้าสมาธิได้หรือเล่าหรือบันทีมันมันมันดูมันก็เมันก็เป็นผลงานหนึ่งแต่มันไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการผลที่เราต้องการก็คือเวลาที่เราเกิดอารมณ์แล้วเราหยุดมันได้หรือเปล่าเวลาโกรธเวลาโลภเงี้ยเราหยุดมันได้หรือเปล่ามันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมอ่ามันจะเร็วขึ้นเราจะโกรธทันจะโกรธนาจะโกรธสั้น เมื่อก่อนอาจจะโกรธสองสามวันกว่าจะหายโกรธพอมีสติอาจจะโกรธแค่ชั่วโมงเดียวเดี๋ยวก็หายแล้วหรือมากกว่า น, นั้นบางทีโกรธปุ๊บหายปั๊บเลยก็ได้อยู่ที่กําลังของสติถ้ามีสติมากสติไวมันก็สามารถหยุดอารมณ์ได้ทันดีทำใดเลยอาการเบรกอกุศลต่างๆานะกรณีถ้าสมมุติว่าเรายัางสติไม่ดีเราต้องใช้สติในการเบรกอกุศลแต่ว่าถ้าสมมติว่าหลังจากนั้นแล้ว เรารู้สึกสบายกับการที่จะหยุดมันโดยที่เล่นสุดเดือดร้อนเลยครับมันมันทำมันมันอะไรถึงว่าเพราะเราพัฒนาขึ้นอย่ยถ้าเรารู้ว่ามันเป็นโทษแล้วเราหยุดมันได้ก็ ก, ก็เรียกว่าปัญญาเรื่าการดื่มโซดาไม่ดีแล้วเราเลิกดื่มได้เงี้ยถ้าเลิกดื่มด้วยปัญญามันจะไม่กลับไปดื่มอีกถ้าเลิกดื่มด้วยส ต, ตินี่เดี๋ยวเวลาเผลอมันก็จะกลับไปดื่มได้ยัการการหยุด อกุศลต่างๆด้วยสติมันจะหยุดได้ชั่วคราวแต่ถ้าหยุดด้วยปัญญามันจะหยุดได้อย่างถาวรเพราะจะเห็นว่ามันเป็นโทษมันเป็นภัยต่อเราคำถามจากคุณสุภาดาเวลานั่งสมาธิถึงจุดหนึ่งนิ่งแล้วไม่รู้ต้องทำอย่างไรต่อคะก็พยายามรักษาความนิ่งไปนานๆอย่าปล่อยให้ใจคิดอย่าไปทำอะไรประครับประครองใจให้นิ่งขัด หัดควบคุมความนิ่งไว้เพราะเราตอไปเวลาออกมาตอไปเวลาเราเจอเหตุการณ์เราจะได้รู้จักวิธีทำใจให้นิ่งได้เช่นมาเจอคนด่าเรามาค น, คนมาขาโมเยเงินเราเราก็ถ้าเรารู้จักควบคุมความนิ่งเราก็นิ่งเราคอยควบคุมความนิ่งไว้ให้ใจนิ่งอย่าให้เกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาอย่าให้เกิดอารมณ์เสียใจขึ้นมาแต่ถ้าต้องทำดาเนินการอะไรก็ทาไปได้ ถ้าต้องไปแจ้งความก็ไปแจ้งความถ้าต้องไปค้นหาตามตัวก็ไปตามตัวได้แต่ใจเราจะไม่วุ่นวายไปกับการเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาถ้าเรานิ่งเป็นในการนั่งสมาธิเพื่อหาให้เรารู้จักนิ่งกันเราไม่ค่อยนิ่งกันใช่ไหมพออะไรมนกระทบไหน่ยไปเลยใช่ไใครด่าหน่อยก็ขึ้นเลยใครทำอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็ขึ้นเลย ในการนั่งสมาธิเพื่อมาหาธาตุเราให้นิ่งไม่ให้ขึ้นกับไม่ให้เกิดอารมณ์เวลาเกิดอะไรมันกระทบกับใจเราเพราะอารมณ์มันไม่ดีอารมณ์มันทําให้เราวุ่นวายใจแล้วทําให้เราต้องไปทําสิ่งที่ไม่ดีต่อไปแต่ถ้าเรานิ่งได้เราก็จะไม่เดือดร้อนแล้วเราก็ไม่ไปทําอะไรเสียหายไม่ไปพูดอะไรให้เสียหายถ้ามีอารมณ์นี่ถ้าคุมใจไม่ได้เดี๋ยวก็ไปด่าเขาไปว่าเขาะ่ะ หรือไปกล่าวร้ายเขานะแล้วเดี๋ยวก็มาเสียใจทีหลังว่าโอ้เราไม่น่าทำเลยไม่น่าพูดเลยแต่ถ้าเรารู้จักรักษาความนิ่งได้เวลามีอะไรมันกระทบใจเราเราก็นิ่งไปนิ่งแต่เฉยเฉยไปแต่ไม่ได้นิ่งเฉยคิดได้คิดว่าจะต้องทําอะไรได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วควรจะทําย่งอะไรดีทำอย่างไรที่มันจะดีที่สุดทําแล้วไม่เกิดความเสียหายตามมา ถ้าเกิดทางเสียหายก็อย่าไปทําำเลยเช่นเข้ามาขโมยของเราเราถ้าเราไปแจ้งความจับเข้าไปเข้าคุกเข้าตารางเขาอาจจะอาฆาตพยาบาทเราก็ได้แต่เราคิดว่าของมันมันก็เอาไปแล้วไปฟ้องก็ไม่ได้คืนเราอยู่ดีแต่กลับจะทําให้มันต้องมาอาฆาตพยาบาทเราก็ไม่ต้องไปฟ้องคิดว่าทําบุญไปทําทานไป แล้วมันอาจจะไม่มายุ่งกับเราอีกต่อไปก็ได้คําถามจากคุณในในความทรงจําคนที่ถึงเวลาตายบางคนทําไมต้องไปตายที่อื่นจังหวัดอื่นไม่ได้ตายที่บ้านเกิดของตนเองเป็นเพราะอะไรคะหรือเป็นเพราะชาติก่อนเขาเคยอาศัยอยู่ที่เราไปตายในชาตินี้หรือเปล่าคะออความตายมันไม่แน่นอนล่ะตายในทุกแห่งทุกคนทุกเวลา ไม่มีใครไปกําหนดได้ว่าจะต้องตายที่บ้านเกิดจะต้องตายวันนั้นตายวันนี้ต้องจากพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกาหนดวันตายได้แต่คนทั่วไปแล้วกําหนดวันตายไม่ได้คำถามจากคุณอดุลเลยเพียงแล้วพระฉันจําพวกถั่วได้หรือเปล่าครับถ้ากินมันแล้วแต่ว่าถั่วแบบไหนถ้าเป็นถั่วที่เป็นยาก็กินได้แต่ถั่วที่เป็นอาหารก็กินไม่ได้ นี่เราไม่รู้ว่าถั่วที่เป็นยามีหรือเปล่ามันถั่วมันมีหลายชนิดนใช่ไหมคือต้องรู้ว่าสิ่งที่พระฉันหลังเที่ยวและไปแล้าเป็นสิ่งที่ยังขอกเคี้ยวได้ก็มีไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ขอกเคี้ยวเหล่านี้กินไม่ได้เพราะสมุนไพรบางอย่างชาวบ้านเขาเป็นสมุนไพรนี่เอามากินเป็นยาถ่ายกันก็มีพระที่ท่านกินใบใบใบไม้เลยบางชนิดเนี่ย กินเพื่อเป็นยาถ่ายไม่ได้กินเพื่อเป็นอาหารถ้ากินเพื่อเพื่อเป็นยาก็กินได้แต่ต้องเป็นสิ่งที่เขารับกันว่าเป็นยาไม่ใช่พามาบอกให้เป็นยาอยากจะกินอะไรก็เป็นยาไปหมวดนี้ไม่ได้มันต้องเป็นที่ยอมรับกับชาวบ้านว่าเป็นยาแล้วเขากินกันเพื่อเป็นยานี้ก็กินได้พวกสมอนี้ก็เคี้ยวได้ข้าสมอดองนี้ก็กินได้ กินแล้วมันก็ช่วยลำบายอะไรทั้งนองนลยคำถามจากคุณกระสิทธิการผมเห็นพระสุบุรีเป็นพระป่าผิดศีลไหมครับไม่ผิดหลักศีลไม่มีข้อห้ามไม่ให้สุบุรีคำ ถ, ถามจากคุณปฐมพรลูกเปิดคลิปสนทนารร ม, ม้บนเขา มีอยู่หลายวันที่ฝนตกและพระอาจารย์ให้นั่งสมาธิลูกเลยเปิดฟังเสียงฝนตกและนั่งสมาธิไปด้วยรู้สึกใจผ่อนคลายและรู้สึกนั่งได้นานถ้าลูกทําแบบนี้แล้วได้ผลคือใจสงบลูกทาได้ใช่ไหมคะมหรือควรดูผลไปเรื่อยๆดีกว่าเจ้าคะ่ะก็ได้ในในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่สามารถที่จะดูลมหรือพุโทโธได้ก็อาศัยเสียงภายนอกไปก่อนก็ได้บางคนก็เปิดเสียงธรรมฟังไปก็สงบได้ แต่มันจะไม่สงบเต็มที่มันคือมันจะสงบในระดับที่ทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่านแต่ถ้าอยากให้มันสงบมากไปกว่า น, นั้นอาจจะต้องดูลมหายใจอย่างเดียวหรือพุทธโทอย่างเดียวแต่ก่อนที่เราจะดูลมหรือพุทโทได้ในีใจเราต้องสงบในระดับหนึ่งก่อนถ้ายังไม่สงบพุทโทไม่ได้ดูลมไม่ได้ก็ฟังเสียงฟังเสียงน้ำฝนไปก่อนก็ได้หรือฟังเสียงธรรมไปก่อนก็ได้ แต่ให้เข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นเป็นผลเต็มที่ผลที่ได้จากการอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นผลในในระดับต้นๆที่จะพาให้เราเข้าไปสู่ในระดับระดับที่ลึกกว่านั้นได้คำ ถ, ถามจากคุณนวลสีค่ะรูปฏิบัติทรมาหกปีแล้วค่ะโดยการพิจรารณากายกายเน่ากายส ด, สด แต่ลูกก็ไม่ได้ทำแบบเข้มแข็งคือทำไปเรื่อยๆเหมือนคอยดึงจิตมาดูกายแล้วตอนนี้ลูกจะรู้สึกว่ามีความสุขในกายในจิตตัวเองค่ะแบบนี้ลูกทำถูกไหมคะพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะคํ า, าว่ามีความสุขในกายนี่ไม่ไม่ไม่ทราบว่าหมายความว่าไงสุขเพราะว่าไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายจะเป็นยังไงก็ไม่ทุกข์อันนี้ถ้าสุขแบบนี้ก็ดีแต่ถ้าสุขเพราะว่า ร่างกายไม่เป็นอะไรก็สุขแต่เวลาร่างกายเป็นอะไรแล้วก็ทุกข์นี้แสดงว่ายังไม่ดีการพิจารณาร่างกายเพื่อให้เราปล่อยร่างกายเพื่อไม่ให้เราไปทุกข์กับร่างกายให้เรายอมรับความจริงของร่างกายว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราสุขแบบนี้ก็ถือว่าดีแต่สุขเพราะว่าตอนนี้ร่างกายไม่เป็นอะไรแล้วเราก็เลยสุขกับมันอย่างนี้ก็ยังไม่แน่เวลาที่ร่างกายไม่ ไม่ดีแล้วเรจะสูก่กรรมันหรือเปล่าคำถามจากคุณนันทนาโยมสังเกตว่าหลายๆวัดจะมีผู้หญิงมาเข้าวัดฟังธรรมมากกว่าผู้ชายหลายเท่าการเกิดเป็นเทวดามีเพศไหนคะเทวดาก็มีเพศมีเพศหญิงเพศชายเหมือนกันคำถามจากคุณป๋อมใส่บาตรจำเป็นต้องกวดน้ำทุกครั้งไหมเจ้าคะ การกวดน้านี่เป็นการอุทิศบุญเวลาเรามีบุญนี่เราสามารถแบ่งบุญส่วนหนึ่งที่เราทำนี่ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วถ้าเขามาขอบุญเราเราก็อุทิศไปให้เขาได้แต่ถ้าไม่มีใครมาขอแต่เราก็ยังอุทิศให้กับสประสัต์ได้เพราะยังมีดวงวิญญาณที่ไม่มีญาติที่ไม่มีใครทำบุญอุทิศไปให้กับเขาคือดวงวิญญาณที่มารอรับบุญนีเป็นเหมือนพวกขอทาน ถ้าเรามีเงินเราจะแบ่งเงินให้พวกขอทานบ้างก็เราก็จะได้บุญถ้าเราไม่อุทิศเราก็จะไม่ได้บุญแต่การอุทิศนี้ไม่ต้องใช้น้ำเข้าใจไหมมีน้ําก็ได้ไม่มีน้ําก็ได้คําว่าขวดน้นํานี่กวดได้สองแบบกวดแห้งกับกวดเปียกกวดเปียกก็คือต้องมีน้ํามาเทถ้ากวดแห้งก็ใช้ใช้ใจคิดไปน้อมนํานึกไปเขาทิศส่วนบุญนี้ให้กับคนนั่นคนนี้ ชื่อนั้นชื่อนี้ที่ร่วงรับไปแล้วถ้ากําลังรอรับส่วนบุญนี้อยู่ก็ขอให้มารับไปถ้าไม่มารับก็ขออุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีผู้อุทิศบุญให้อย่างนี้ก็เราก็จะได้ทําบุญอีกอีกอีกอีกครั้งหนึ่งทําบุญจากการถวายของให้กับพระแล้วได้บุญส่วนนี้แล้วเอาบุญที่ได้มานี้ไปทําบุญให้กับผู้ที่ร่วงรับไปได้อีกก็จะทำได้ได้ทําบุญสองครั้งได้บุญสองต่อ คำถามจากคุณลพลการปฏิบัติในทางสายบุญกับสายมัดผลเหมือนหรือต่างกันครับก็ต่างกันตรงที่ว่าสายบุญเขาจะเน้นเรื่องการทําทางสังฆทานเอ่ยกฐินเอ่ยบริจาคเงินสร้างโบสถ์สร้างเจดีธรรมแรงต่างนี้แล้วก็ถือศีลห้ากันเป็นหลักสําหรับสายบุญสําหรับสายมัดผลนี่เขาจะถือศีลแปแล้วก็ไป ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาเขาจะไม่ไปทาบุญไปทอดผ้าป่าทอดกระถินทอดอะไรกันเพราะงานสองงานนี้มันขัดกันงานภาวนากับงานทําบุญนี่มันไปด้วยกันไม่ได้มันต้องแยกกันอย่างถ้าเป็นนักบุญก็ไปเลยไปถวายผ้ากระถินผ้าป่าไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ถวายพุทธรูปอะไรต่างๆนี่แล้วก็รักษาศีลห้าไป ก็เรียกว่าเป็นสายบุญเป็นนักบุญแต่ถ้าอยากจะมาเป็นนักบวชอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมาถือศีลแปดมาอยู่วัดมาอยู่ที่เงียบๆแล้วก็มาเนินจงกรมนั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมไม่ออกไปทำบุญที่นั่นที่นี่อันนี้เรียกว่าสายมรคสายผลคำถามจากคุณมานาติตาเวลานั่งสมาธิชอบเถลหลับไป เป็นเพราะง่วงนอนใช่หรือไม่เจ้าคะหรือนั่งสบายไปเจ้าคะเพราะว่าสติไม่มีถ้ามีไม่มีสติมันก็จะงัดดลับง่ายแล้วอย่างว่ากินมากเกินไปคนที่จะนั่งได้ผลดีต้องกินน้อยๆเป็นกินเมื่อเดียวคําถามจากคุณวนิดานั่งสมาธิแล้วรู้สึกวูบลงไปท้ายกลับจะไม่หายใจรู้สึกกลัวมาก รีบสุดลมหายใจเข้าขอคําแนะนำได้ก็ค่ะไม่ควรนะต่อไปมันจะวูบลงไปไม่หายใจก็ปล่อยให้มันไม่หายใจไปให้รู้เฉยเฉยเพราะตอนนั้นจิตมันกาลังปล่อยลมปล่อยร่างกายมันจะเข้าสู่ความสงบเต็ที่ให้รู้เฉยเฉไม่ตายไม่ร่างกายมันก็ยังหายใจอยู่เพียงแต่ใจปล่อยวางไม่ไปยุ่งกับลมหายใจนั้นงนี้ไม่ไปดูไม่ไปรับรู้นะถ้ามันเปิดลาการอย่างงั้นอย่าอย่ า, อ ย, าอย่าไปกลัวอย่าไปอย่าไปหาลมหายใจ เพราะมันจะทําให้ใจไม่รวมตอนนั้นใจกําลังจะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วเราไปกลัวเราก็เลยดึงใจกลับมาหาลมใหม่ใจมันต้องการจะพิ้งลมนะมันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รับรู้ลง ม, มันไม่ได้หมายความว่าทิ้งร่างกายเลยมันเพียงแต่ไม่รับรู้ร่างกายไม่รับรู้เรื่องของลมทนะั้งนี้คําถามจากคุณนี้นาะพระอาจารย์คะที่สิงคโ ป, โปร์มีกฎห้ามให้อาหารนกสาธานะแต่ว่าสิบให้ พอนกมาที่บ้านบ่อยสงสารอย่างนี้ไม่บากทำได้ใช่ไหมคะไดมันเป็นความเมตตานี่มันไม่ได้มีการการการทำร้ายผู้อื่นแต่ จ, จะผิดกฎหมายอันนี้เรื่องของกฎหมายบางครั้งมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรมถ้ากฎหมายใดทีด่ขัดกับศีลธรรมนี่ก็ถือว่ากฎหมายนั้นไม่อ า, อาจจะมีเหตุผลของเขาที่เขาจะต้องมีกฎอย่างนั้นเพื่อป้องกันอะไรบางอย่าง แต่ไม่เป็นการกระทำบาปเพราะมันไม่ได้ขาดกับศิลและทำคําถามจากคุณโก๊ะจิตเมื่อดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารแล้วมีความสว่างสวยัยทําอย่างไรตอ่อครับก็ให้มันสว่างก็ประคองมันไว้อย่างนั้นไม่ต้องทําอะไรให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอันนานเพราะดั น, นั้นจิตกําลังพักผ่อนเหมือนคนหลับนอนเวลาคนหลับเราอย่าไปปลุกใช่ไหมปล่อยให้เขานอนไป เดี๋ยพอเขาตื่นขึ้นมาแล้วค่อยไปค่อยไปคุยกับเขาถ้าอยากจะคุยธุระหรืออยากจะให้เขาไปทําอะไรก็อย่าไปปลูกตอนที่เขานอนเพราะถ้าไปปลูกขึ้นมาแล้วเขาจะอารมณ์ไม่ดีแล้วเขาอาจจะไม่ทําตามที่เราขอให้ทําอยู่ดีเน้นจิตเวลานิ่งเวลาจิตสงบแล้วอย่าไปทําอะไรพยายามใช้สติประครับประคองไปให้รู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้จิต ก, กําลังว่างกําลังเย็นกําลังสบายให้มันนิ่งหมดแล้วใช่ไหม อีกสักสามคำถามก็แล้วกันคำถามจากคุณโอมีวันหนึ่งขณะจากรถยนต์อยู่ดีๆพุทโธผุดขึ้นกลางอกคือผุดเองทีทีพุทโธพุทโธคิดก็ต่างหากอย่างนี้ถ้าเกิดอีกทําอย่างไรเป็นเพราะอะไรคะก็มันอยากจะเกิดมันก็เกิดได้เพราะเราอาจะเคยเท่องพุทโธมาจนเป็นนิ ส, สัยพอเวลามันอยากจะโผล่ขึ้นมามันก็โผล่ขึ้นมา แต่ต้องให้เราวางว่าเราต้องให้อย่าไปอยู่กับพุโทโธถ้าเรากำลังขับรถอยู่ต้องให้อยู่กับการขับรถไม่ใช่ไปอยู่กับพุโทโธแล้วก็ปล่อยให้รถวิ่งไปเนิให้ไม่มีคนขับเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเี่วรันชนกันคำถามจากคุณจำทรัตถือสินแปดกินผลไม้แช่อิ่มเป็นปรามาณถือว่าผิดสินไหมคะถ้าเป็นปรามาก็ถือว่าเป็นส่วนของอาหารกินไม่ได้ ต้องกินของที่เป็นยาถ้าผลไม้ก็ต้องต้องเป็นน้ําผลไม้ได้อยู่ a, น้ำผลไม้ต้องไม่มีไม่มีกากไม่มีเนื้อต้องกรองมันออกให้เหลือแต่น้ำนํำเปล่าแล้วผลไม้ที่มามาปั่นก็ไม่ได้นะผนลว่าปั่นนี่มันเป็นเนื้อแล้วดื่มนี้ไม่ได้เถือว่ามันดื่มไม่คือมันมีเนื้อที่ก็อนุญากให้ดื่มแต่น้ําผลไม้น้ําผลไม้ต้องไม่ใหญ่กว่ากําปั้นมือ ถ้าใหญ่กว่าก็ดื่มไม่ได้เช่นมะาพร้าวมะส้มโอเอ่เนือ้อไอ้พวกแตงโมอะไรพวกนี้น้ําพวกนี้ดื่มไม่ได้พระเจ้านื้อมัน้ำผลไม้ขนาดกําปั้นเช่นส้มเอ่างมุนฝรั่งอะไรพวกเนี้ยทางนางเนี่ยเราบีบคั้นแล้วต้องเอาแต่น้ําเนื้อไม่ได้ต้องกรองเอาภาชกรองเอาเนื้อออกให้หมดเนื้อ มีสองคนถามครับคำถามแรกครับอ่าผมเลิมดื่มสุรามาประมาณเกืบสิบปีแล้วครับแต่ว่ามีกลุ่มกลุ่มของรุ่นี่ที่ที่บังคับให้ผมอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมผมไม่ดื่มเขาก็บังคับให้ดื่มก็บอกว่าให้ถือว่าเป็นยาให้ดื่มเล็ก้อยเพื่อเป็นยาแต่ผมไม่เห็นควรครับกออนุยาตเรียนถามว่าเหมาะสมหรือไม่ครับว่าเป็นเจตนาที่ต้องดื่มปัญญาหรือไม่ควรดื่นครับคำถามที่สอครับเมื่อผมขับรถ ด้วยความเร็วแต่ว่าได้เหยียบสัตว์เป็นเจตโดยที่ผมไม่ได้เจตนาจะเป็นบาปหรือไม่ครับไม่บาปหรอกถ้าเราไม่มีความตั้งใจจะไปฆ่าเขาเป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยเขาวิ่งตัดหน้าเรา เ, รเวลาเราวิ่งตอนคืนฝนตกมแมลงมันวิ่งเข้าหาไฟเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปฆ่ามันแต่มันมันเข้ามาหาไฟของมันเองเรื่องเรื่องลือเดืองโซลาก็อย่าไปทําจะดีกว่า ให้เราเลือกระหว่างศีลธรรมกับผลประโยชน์อย่างอื่นพระเจ้าบอกว่าให้เลือกศีลอย่าอย่าไปเลือกผลประโยชน์เพราะศีลธรรมมีคุณค่ากว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเรามีศีลธรรมนี่เราปิดประตายปิดประตูอาบายได้ตายไปไม่ต้องไปเกิดไ ป, ไปในอาบายถ้าเราผิดศีลเดี๋ยวตายไปเรายังมีสิทธิ์ที่จะต้องไปเกิดในอาบายหมดไหมยัง